เอาเดี๋ยววันนี้เราสนทนาธรรมะในชภากของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของสติปัฏฐานต่ออาจจะพูดเชิงลึกขึ้นไปอีกนิดนึงเพื่อจะได้เป็นเหตุแห่งการที่เราท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจในพระธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดขึ้น เมื่อวานพูดถึงในเรื่องของอียาบทเนาะคัตฉันโตวาคัชามีติปชานาติเป็นต้นที่แปลว่าเมื่อเดินก็เมื่อภิกษุเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเดินอยู่เนี่ยภิกษุย่อมคำว่ารู้ชัดคืออย่างไรพอจับประเด็นกลับไปอย่างนี้ก็คือว่าภิกษุนี้ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าจิตที่คิดนึกว่าจะเดินย่อมเกิดขึ้น จิตนั้นย่อมยังวายโยธาให้เกิดขึ้นใช่ไหมวายโยธาย่อมยังวิญญาตติรูปให้เกิดขึ้นการเคลื่อนไหวข้างหน้าของร่างกายทั้งหมดด้วยการขับเคลื่อนของวายโยธาที่จิตกระทำขึ้นเรียกว่าการเดินใช่ไหมเป็นไปในลักษณะนั้นทีนี้ ตรงนี้ก็คือเราได้ทําความเข้าใจกันมาแล้วว่าความจริงแล้วเนี่ยแม้คนทั่วไปเนี่ยถ้าเรื่องของการจระในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่เราก็จะมีความเข้าใจว่าตัวตนอัตตาเป็นผู้เดินแท้ที่จริงไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีอัตตาตัวตนใดๆเลยเป็นแต่เพียงสภาวธรรมนะ การเดินจริงๆแล้วก็คือเมื่อมีความเข้าใจว่าเป็นสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดญาณรู้ที่บอกว่าญาณที่รู้ชัดของภิกษุนั้นย่อมละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นบุคคลเป็นอัตตาตัว ต, วตวนเป็นเราเขาก็จะถอนความถอนอัตตสัญญาหรือว่าสัตตาสัญญาความจำหมายว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ถ้าถึงขั้นตรงนั้นได้จึงจะเรียกว่าสติปัฏฐานภาวนา ถ้าอย่างนั้นไม่เรียกถ้ายัางเห็นด้วยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตตาตัวตนหลาอยู่ไม่เรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาเนาะทีนี้คาว่าสติปัฏฐานภาวนาเนี่ยกับคําว่ากรรมฐานเนี่ยมันแตกต่างกันเพียงคาศัพท์เท่านั้นเองก็คือว่า <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยคาว่าสติปัฏฐานภาวนา นั้นบ่งบอกให้ชัดว่าเป็นสติที่สัมปยุตกับญาณ น, นะถ้าเราเรียกว่าสติปฐานภาวนาสติกับปัญญาญานนะเกิดร่วมกันเนี่ยจึงเรียกว่าสติปฐานภาวนาหรือเรียกว่าปฏิวิปสนาหรือการปฏิบัติวิปสนาก็ว่าไปถ้าอย่างนั้นไม่เรียกนะไม่เรียกพอจะเข้าใจตรงนี้นะถ้าเราได้ยินหรือได้เห็นคำคำนี้เนี่ยก็ให้รู้เถอว่า การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทั้งสติปัฏฐานเป็นทั้งภาวนานั่นหมายถึงตัวสติกับปัญญานี่ยสัมเบญุตกันเรียบร้อยแล้วแต่สติไม่มีปัญญาเกิดร่วมไม่เรียกว่าสติปัฏฐานภาวนาไม่เรียกว่าสติปัฏฐานทีนี้ที่จะเรียกสติปัฏฐานได้สตินั้นต้องเกิดขึ้นอย่างแข็งแรงและมั่นคงแล้วก็เป็นไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องแล้วก็เกิดร่วมกับญาณปัญญาด้วย อตินี้ในทางด้านของในคําสอนมีอยู่ที่หนึ่งมายากราน้อปิกกันเตเป็นต้นที่บอกปัญญาอย่างเห็นความไม่หลงในการก้าวไปข้างหน้าเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าอาศัมโมหะสัมปชัญญะภิกษุในภาษาสนานี้เคยเคำว่าภิกษุในภาษาสนานี้เคยได้ยินคํานี้ไหมเราจะได้ยินชัดได้ยินเยอะเลยใช่ไหม ภิกษุในศาสนานี้เมื่อเดินก็รูช้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่เมื่อนั่งก็รูช้ชัดบัดนี้เรานั่งเมื่อนอนเมื่อยืนเป็นต้นเหล่านี้ยหรือว่าอรัญญกโตวะก็จะใช้คําว่าภิกษุในศาสนานี้คําคํานี้เป็นการบ่งบอกว่าคําว่าภิกษุคือพระโสดาบันสกาทานาคาพระทหารมีเฉพาะในศาสนานี้เท่านั้นเป็นการปิดมุมว่ารัตทีศาสนาอื่นว่างเจา้าจากภิกษุผู้รู้ด้วยถึงปิดมุมเลยครับดงนั้น ในศาสนาอื่นไม่มีคําว่าภิกษุไม่มีไม่มีพระโสดาบันเป็นต้นนี้ปัญญาท ну, ี่ยังเห็นความไม่หลงในการเข้าวก้าวไปเป็นต้นเขาเรียกอสัมโมหะสมปัญญาก็หมายความว่าภิกษุในศาสนาเนี้ยก้าวไปข้างหน้าหรือถอยอยู่ถอยกลับย่อมปราศจากความหลงผิดเหมือนบุตุชนคนบอดบุตุชนคนมืดบอดมีความเห็นผิดว่าในการก้าวไปเป็นต้นนั้นอัตตาเป็นผู้ก้าวไป อัตตาทำให้มีการก้าวเกิดขึ้นแต่โยคีนั้นหลงผิดว่าเราเป็นผู้ก้าวไปเราเป็นผู้ทำให้การก้าวเกิดขึ้นที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อจิตคิดจะ ก, ก้าวเกิดขึ้นอยู่วายโยธาที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็ทำให้วิญยติรูปเกิดขึ้นและย่อมเกิดร่วมกันกับจิตนั้นนั่นเองกองกระดูกทั้งหมดโครงร่างที่เป็นกระดูกทั้งหมดที่สมมติว่ากายย่อมทาการ ก้าวด้วยแรงผักดันของวายโยธาที่มีจิตเป็นสมุทฐานอันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นว่าจริงๆอันนี้ถ้าในในในสูตรเนี้ยท่านพูดถึงเรื่องโครงกระดูกโครงร่างกระดูกในสั์ท่านใช้ไว้อย่างนี้เลยนะโครงร่างกระดูกทั้งหมดเนี่ยกระดูกสามร้อยทอนทั้งหมดเยเนี่ยที่บอกว่ากองกระดูกที่สมมุติว่ากายเป็นกองกระดูกทั้งหมดเลย ย่อมก้าวด้วยแรงตันแห่งวาโยธาซึ่งมีจิตเป็นสมุธฐานไอ้วาโยธาเป็นตัวผลักให้กองกระดูกมันเคลื่อนไปเคลื่อนไปอาการเคลื่อนการย่างของกองกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นเรียกวิญยัตมีวิญยัตั่นเองแต่เบื้องหลังคือจิตเป็นสมุธฐานจิตเป็นเหตุถ้าพูดถึงจิตเนี่ย จะเป็นโลภะจิตก็เป็นเหตุแห่งการเดินได้โทสะจิตก็เป็นเหตุแห่งการเดินได้โมหะจิตก็เป็นเหตุแห่งการเดินได้หรือกุศลจิตก็เป็นเหตุแห่งการเดินได้จะเดินด้วยจิตที่เป็นโสมณะนัดก็ได้โทมณนัดก็ได้อุเบกขาก็ได้เดินได้หมดเลยแล้วแต่สภาพจิตอย่างไรอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าจิตเน so <in envy> ี <of> <ing> of of ่ยชาวนะจิตทั้งหลายแค่ลำพังชาวนะเกิดขึ้นชาวนะเดียวเนี่ย ไม่สามารถจะผักดันให้มีการกระพริบตาอ้าปากหรือพูดหรือมีการผักให้การัชกายเคลื่อนไหวได้ต้องชาวนาเกิดขึ้นประมาณเจชุดถ้าอุปมา ก, ก็เหมือนกับเกวียนนั่นเองที่มีวัวเทียมเกวียนอยู่7ดคู่คู่ที่หนึ่ง 6, 7สาสี่ห้าหเจ็ดทีนี้การที่จะลากเกวียนให้มีการเคลื่อนไปได้เนี่ย ถ้านายสรารธีผูชาญฉลาดกระตุกเกวียนที่หนึ่งที่สองที่สามอย่างไรต้องกระตุกพร้อมกันเมื่อครบเจ็ดครั้งเจ็ดชุดพร้อมกันจึงสามารถลากให้เกวีนไปเกวียนหยุดเป็นต้นได้การจะกระพริบตาจะอ้าปากหรือจะขยับมือขยับไม้จะเคลื่อนสรีละทั้งหลายอันนั้นก็อาศัยจากชฉนนะนะชวนเกิดขึ้นเจ็ดครั้งเป็นต้นถึงจะมีการผลักดันให วาโยธาทีนี้ถามว่าปริมาณของวายโยธาเนี่ยที่ผลักดันให้ทำการัชกายเคลื่อนไหวนั้นต้องใช้วายโยธาอย่างมากเลยใช่ไหมไม่ใช่คำว่ายิ่งด้วยวายโยธานั้นยิ่งด้วยปริมาณเออไม่ใช่ยิ่งด้วยปริมาณยิ่งด้วยความสามารถวายโยธามีความสามารถมากผัก <c oughs> ให้สังเกตดูนะว่าถ้าอภินยาจิตเนี่ยโอ้ผัก ผักรู ป, ปรกายเนี่ยให้จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เลยยังเร็วเลยขนาดนั้นนะเห็นไหมคนที่สามารถอยู่ที่หนึ่งอ่าแค่ก้าวเดียวปุ๊บถึงเทวภูมิได้เลยอย่างเงี้ยนั่นแหละดูสินะอภิญญาจิตที่ทําให้เคลื่อนไหวการักรย์กายได้ขนาดนั้นนี่คือเป็นยิ่งด้วยความสามารถยิ่งใช่มันยิ่งอย่างนี้แค่อภิญยาจิตขนาดจิตเดียว แค่ขณาจิตเดียวทำให้คุณวิเศษเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนี่นี่คือคือให้เข้าใจแบบนี้ทีนี้พูดถึงเรื่องก้าวเมื่อเมื่อภิกษุที่เป็นวิปัสสนาโยคีที่กำลังก้าวอยู่ในขณะยกเท้ายกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเนี่ย การยกเท้าขึ้นได้บ่งบอกว่าปัทวีธาตุและอาโปธาตุมีกำลังน้อยปัทวีธาตุกับอาโปธาตุเป็นธาตุหนักฉะนั้นการจะยกเท้าขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าปัทวีธาตุอาโปธาตุต้องน้อยหรืออ่อนกำลังลงแต่ไอตัววายโยธาตุและเตโชธาตุต้องมีกำลังมาก มันจึงสามารถยกเท้าขึ้นได้เห็นไหมนั่นน่ะบ่งบอกว่าธาตุมันปรับกั น, กนตลอดเวลาเวลาจะยกจะอะไรทั้งหลายเนี่ยธาตุในกาะรัช ก, กายทั้งหมดแบบเนี้ยมันมีปรับกันแบบนี้พูดจะปฏิบัติต้องมีความเข้าใจระบบอย่างนี้อย่า ง, างดีว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลใดๆเลยเออปิดไปเลย <c oughs> แม้ในขยับย่างและขยับไปข้างหน้าก็เช่นเดียวกันยกเท้าขึ้นเนี่ยธาตุดินและธาตุน้ำมีกำลังน้อยธาตุไฟและธาตุลมมีกำลังมากจึงสามารถยกขึ้นได้เวลาจะเสือกเท้าไปข้างหน้าหรือย่างเท้าไปข้างหน้าก็ธาตุดินและธาตุน้ำมีกำลังน้อยเหมือนกันธาตุไฟและธาตุลมผัก มีกำลังมากมันจึงสามารถเสือกเท้าไปข้างหน้าหรือรูอ้เอียงเท้าหลบซ้ายหลบขวาเป็นต้นเหล่านี้ยบ่งบอกให้ว่าธาตุดินธาตุน้ำมีกําลังน้อยธาตุไฟและธาตุลมมีกําลังมากมันจึงเอี ย, อยงเท้าไปมาเป็นต้นได้นี่ปริมาณธาตุมันมีการปรับตัวกันอย่างนี้มันยิ่งมันหย่อนมันต่างกันอย่างนี้แต่เวลาจะเหยียบเท้าลงสู่พื้นธาตุดินและธาตุน้ํามีกําลังมาก ธาตุไฟและธาตุลมมีกำลังน้อยถ้าอย่างนั้นไม่สามารถที่จะเหยียบลงถึงพื้นได้อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในกรณีที่เราท่าทั้งหลายเดินเนี่ยให้สังเกตอย่างนี้ให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยว่าในกรณีาการที่วายโยธา <c oughs> จิตตชาวายโยธาที่มีการมีจิตที่คิดจะเดินเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้น าธาตุลมที่เรียกจิตชาวาโยาธาก็พัดผันไปตามสรีระทั้งหลายเวลา ย, ยกเท้าขึ้นบ่งบอกว่ า, าธาตุดินและาธาตุน้ํามีปริมาณน้อยาธาตุไฟและลมมีปริมาณมากจึงยกได้ถ้าเวลาใดาธาตุดินาธาตุน้ํามีปริมาณมากาธาตุไฟและลมมีปริมาณน้อยเช่นหนักเช่นในยามที่คนป่วยหนัก ยกเท้าแทบไม่ขึ้นน่ไม่มีความเบาความอ่อนความครวนเลยเนี่ยเป็นอามาพึกษอัมาพาดนี้เป็นต้นนั่นบอกบอกคือปริมาณธาตุดินแธาตุน้ำหนักยกไม่มันไม่คล่องตัวซึ่งไม่มีไม่มีมมจิตชวาวยโยธาปริมาณธาตุดินธาตุน้ำก็จะหนักอยมากเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ในบรรดาขณะเหล่านั้นนะ่ะรูปนามที่เป็นไปในขณะยกนะยกตดวอย่างเช่นในขณะที่ยกเท้าขึ้นอย่างนี้รูปนามที่เป็นไปในขณะยกย่อมไม่ถึงในขณะย่างนะเวลาเรายกเท้าขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยยกขึ้นปุ๊บเนี่ยรูปนามที่เกิดขึ้นในขณะยกมันแตกดับในขณะยกไม่เป็นไปในขณะย่าง ใช่รูปนามเนี่ยจิตที่คิดจะย่างจิตที่คิดจะยกเนี่ยจิตที่คิดจะยกมันก็แ curve, ตกดับในขณะนั้นไอ้ธาตุดินธาต Java, ุน้ำธาตุไฟธาตุลมในขณะยกมันก็แตกดับอยู่ในขณะนั้นพอจิตที่คิดจะย่างเสือกเท้าไปข้างหน้ามันก็แตกดับไปในขณะย่างไอ้รูปนามขันห้าที่ในขณะยกมันไม่เลยมาถึงในขณะย่างหรอกมันก็แตกดับไปหมดเลยในขณะนั้นรูป น้ำที่เป็นไปในขณะย่างมันก็แตกดับไปในขณะย่างมันไม่ถึงไปในขนาดที่ลงหรือกดลงรูปน้ำขันห่านที่กำลังกดลงมันก็แตกดับลงไปในขนาดนั้นนี่มันเป็นแบบนี้มันแตกดับอย่างรวดเร็วท่านอุปมาเหมือนงาที่ใส่บนกระทะแล้วคั่วมันจะแตกตักตักักตกมันแตกแป๊ะแป๊ปป ถ้ามันดังออกมามันจะแตกเสียงดังอย่างนั้นเลยถ้ามันมีเสียงดังมันแตกอย่างมากรวดเร็วมากทุกอนูแตกดับทุกอนูแล้วเกิดสืบต่อใหม่ทุกอนูตลอดเวลาเลยมันวุบวับ ว, วุบ ว, วับ ว, วุบ ว, วับอยู่ตลอดเวลาเลยมันเป็นอย่างนั้นมันนิน่มเป็นไปลักษณะอย่างนี้รูปน้ำที่เป็นไปในขนาดย่างก็ไม่เป็นไปถึงไปในขณะที่ก้าวไปข้างหน้า ที่เป็นในขณะที่กล้าไปข้างหน้าก็เป็นไปถึงขณะเหยียบที่เป็นไปในขณะเหยียบก็ไม่เป็นไปถึงขณะที่วางเท้าที่เป็นไปในขณะวางเท้าก็ไม่ถึงขณะกดเท้ารูปนามเหล่านั้นเกิดดับเป็นชุดและดับไปในขณะนั้นนั่นเองเหมือนเมเล็ดงาที่ใส่ลงในกระทะที่ร้อนส่งเสียงดังแตกดับไปฉะนั้นฉะนั้นรูปนามที่เกิดดับอยู่อย่างนั้นจะมีใครคนใดคนหนึ่ง ก้าวอยู่จะมีคนหรือยกย่างก้าวเอาอยู่ไม่มีเลยแต่ความจริงโดยสภาวธรรมแล้วเป็นแต่เพียงสภาวธรรมรูปนามขันห้าที่มันกําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งนอนเป็นการยืนเดินนั่งนอนของธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำ ธ, ธาตุไฟธาตุลมนั่นเองเท่านั้นนี่เป็นแบบนี้นี่คือความจริงซึ่งมันปกปิดโมหะ ของหมู่สัตว์มันปกปิดทำให้ไม่เห็นความจริงเหล่านี้เราไม่เคยเห็นความจริงข้อนี้ของของกระแสชีวิตที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาในสังสารวัฏเนี่ยไม่เคยได้ยานปัญญาที่ไปเจาะทะลุทะลวงความจริงข้อนี้เลยในขณนะดเดินและคิดเป็นต้นเหล่านั้นจิตดวงเก่ามันก็ดับไปพร้อมกับวิญาศ ปาท่กากระนาบเกิดเพราะจิตแต่ชาวายุธามันก็เกิดที่อุปาทขาะนาบมันก็ดับไปพร้อมกันนั่นนี่มันมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดดับติดต่อกันกระแสจิตย่อมดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกระแสของน้ําที่มันไหลไม่ขาดสายสภาพจิตประูปธรรมนามรรมโดยเฉพาะนํามนามธรรมมันไหลอ ย, อยู่ไม่ต่อสายมันไม่เคยหยุดเลยในสังสารวัฏที่เกิดมาเนี่ยไม่เคยหยุดการสืบต่อเลย เหมือนน้ำไหลตลอดเวลามันหยุดได้ก็คือปริญานิพานนอกกนั้นไม่เคยหยุดเลยมันไหลอย่างนั้นไหลอยู่มันมันไม่เคยหยุดจุดติปฏิสนธิมันก็คือการไหลอยู่ตลอดเวลามันไหลมาอย่างนี้จนไม่รู้เลยหาเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้ อันหมู่สัตว์รู้ไม่ได้มันไหลอย่างนี้นี่เป็นแบบนี้ไม่ขาดสายฉะนั้นปัญญาที่อย่างเห็นโดยความไม่หลงผิดในการก้าวไปในการถอยกลับในการแลตรงแลเหลียวเป็นต้นหลไรเนี้ยเรียกว่าอสัมโมหะอสัมปชัญญะคือไม่หลงปัญญาที่ก็ไม่หลงไม่หลงในรูปน้าขันห้าไม่หลงไปยึดว่าเป็นอัตตาตัวตนนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ยากไหม อันนี้ฟังให้เกิดความเข้าใจคนนะให้เกิดความเข้าใจนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ประเด็นตรงนี้เดี๋ยววิ้ใช้ตรงนี้กว่าในคำสอนคำว่าอัติสังคาโตเเรียกว่ากองกระดูก เวลาที่จะก้าวไปเป็นต้นนะที่ท่านพูดถึงเรื่องกองกระดูกและมีวาโยธาต์พักให้กระดูกมีการเคลื่อนไปในอรัรถกาถาท่านก็ใช้คํานี้แหละกองกระดูกนั้นเป็นบัญญัตินะจริงๆแล้วคําว่ากองกระดูกนะเป็นสมูหะบัญญัติที่จริงอย่าไปคิดว่าวิปัสสนาญาณมีมีสมูหะบัญญัติเป็นอารมณ์แต่ที่ท่านใช้พูดอย่างเนี้คือบง่งบอกให้เห็นว่าจริงๆคือโครงร่างกระดูก ทั้งหมดนั่นแหละที่จริงโครงร่างกระดูกที่มันเคลื่อนไปแม้ดินน้ำไฟลมในกระดูกทุกอณูโครงร่างกระดูกที่เป็นไปในขณะก้าวมันก็ไม่เคลื่อนย้ายไปถึงในขณะในขณะกดลงมันก็แตกดับลงในขณะนั้นแหละทุกจุดของร่างกายเป็นแบบนี้หมด แต่ที่ท่านใช้คำว่าโครงร่างกระดูกเหมือนว่าจะเป็นสมุหะบัญญตัติเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าวิปัสนาญาณมีบัญญัติเป็นอารมณ์ที่จริงไม่ใช่แต่เป็นภาษาที่พระเจ้าใช้คำนี้ตึงใช้คำว่าอธิสังคาโตฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนก็ได้เป็นลูปะสังคาโตก็ได้ ประเด็นจริงๆตรงนี้คือการฟังโดยให้ได้ถ้าได้แค่สุตตะอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้สุตตะมยาปัญญาก็จะไม่ไม่เข้าใจแบบเชิงลึกหรือชัดเจนฉะนั้นการฟังให้เกิดความเข้าใจอย่างทองแท้โดยชนิดที่ว่าไม่ใช่แค่สุตตะถ้าสุตตะอย่างเดียวมันเป็นแค่สัญญา ถหากสุตตะมัจยปัญญามันเป็นปัญญาที่เกิดความเข้าใจจะปิดหนังสือเปิดหนังสือมันเข้าใจแล้วมันเข้าใจโดยการฟังอย่างท่องแท้แล้วก็ประมวลสิ่งที่ฟังทั้งหลายวิจัยแยกแยะจนลึกขึ้นละเอียดขึ้นชัดขึ้นเมื่อเอาสุตตะและจินตะเนี่เป็นฐานโดยการมีโยนิโสมนสิการและเป็นปัจจัยจนสามารถไปมานสิการแล้วเปิดยานปัญญา เดือดสติสติที่เกิดขึ้นอย่างแข็งแรงและมั่นคงแล้วก็ติดต่อและต่อเนื่องเป็นฐานจับอารมณ์คือดินน้ำไฟลมในอิยาบทนั้นนั้นมาให้ยานปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะจนแยกเข็นเพิกคำว่าสัตว์อัตตาบุคคลตัว ต, วตวนออกได้เห็นโดยความเป็นรูปนามขันห้าที่เป็นทิฏฐิวิสุทธิ์ที่จริงๆ เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์หมดจดว่าเป็นรูปขันเวรนาสัญญาสังขารญาณเห็นว่าจริงว่าขันห้าเดินขันห้ายืนขันห้านั่งขันห้านอนเป็นต้นเหล่าเนี้ขันห้าแลตรงและขันห้าแลเหลียวขันห้าคู่เข้าหอยกลับเป็นเรื่องของขันห้าเป็นเรื่องของสภาวธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลอัตราตัวตนใดๆเลยการเห็นในลักษณะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิ เป็นความเห็นที่บริสุทธิ์หมดจดกรณีอย่างนี้ถึงจะเริ่มเข้าสู่ในเชิญชั้นของเริ่มภาวนาจากจุดตรงนี้เบียเศ็ตปบก็ใช้ยานปัญญานั่นแหละใช้จิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดใช้กำลังของสติกำลังของความเพียรกำลังของปัญญานั่นแหละพิจารณาใส่ใจแล้วแล้วเราๆตามพระธรรมคำสอนในที่สุดจริงๆก็จะประจักษ์ชัดขึ้นเป็นตามลาดับ จนถึงเห็นเหตุปัจจัยของนามลูกเพราะเอาวิชาเกิดรูกประคันเกิดเพราะอวิชาดับรูประคันดับเพราะตัหาเกิดรูกประคันเกิดเพราะตนาดับรูกประคันดับเพราะอุปาทานเกิดรูประคันเกิดเพราะอุปาทานดับรูกประคันดับจนการไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยกันเลยแล้วเล่าๆจนอย่างเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆจนในที่สุดจริงๆก็ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ ยกขึ้นสู่ไตลักษ์เป็นสัมมัสนาไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนักเข้าน้าเข้าไปเห็นการเกิดดับจริงๆเนี่ยปัญญาก็จะเริ่มแก่กล้ามากขึ้นเป็นไปตามระดับด้วยการอย่างนี้ตัวภาวนาฌานมันต้องเกิดไปด้วยการแบบนี้นะมันมีกระบวนการวิธีการใคร่ครววในการที่ไปวิจัยแยกแยๆแบบนี้มันไม่ใช่แบบไม่ได้มีหลักมีเกณฑ์ ใช่นั่นก็แปลว่าตอนที่พร ะ, ะอาจารย์พูดว่าพิจารณาแลา้ว้เรามอตอนนั้นคือพิจารณาให้เห็นว่าปัจจัยที่เกิดเหตุ น, น้ารูปแยกขดห้าออกจากการที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวนตอ น, น, นอันนั้นเป็ น, ปนทิฏฐิทิฏฐิวิสุทธิหรือจะเรียกว่าน้ารูปปริเคธญาณก็ได้ ที่จริงก็คือว่าหนึ่งการเป็นการกำหนดรูปปริคหะก็คือกำหนดรู ป, ปรธรรมนะเขาเรียกรูปกรรมฐ า, านจนชนานาญแยกแยะละเอียดละอ้อแล้วก็ไปนามกรรมฐ า, านแล้วหนักเข้าก็แยกทั้งรูปทั้งนามเป็นนามรูปป ร, ริเครทธธยามั น, ม, นมันละเอียดขนาดนึง คเป็นทิฏฐิวสุตินั่นเองทีนี้ในเรื่องของการเจริญกรรมฐานที่บอกว่าในขณะที่ไปพิจารณาจนเห็นด้วยความเป็นรูปน้ำขันห้าเนี่ยโดยเฉพาะก็คือว่าการกําหนดเห็นธาตุดินธาตุน้านําธาตุไฟธาตุลมเป็นต้นเราเนี่ยเนาะจนเห็นว่าจริงๆก็คือเป็น กองรูปธรรมโดยเฉพาะวายโยธาที่นี่มีลักษณะหย่อนตึงหรือพยุงหรือผลักดัน่ไอตัววายโยธาก็ทำหน้าที่เคลื่อนไหวที่จริงวายโยธาเนี่ยมีคำว่าคำว่าสติสติ ส, ตสับนั้นก็แปลว่ามีความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหววายโยธา สมุทรณาราสาก็คือมีอาการเกรงและอาการขยับเขยื่อนไปข้างหน้าเป็นต้นนั่นแหละของเท้าเป็นต้นเหล่นี้เป็นอาการปรากฏดังนั้นในขณะที่เดินอยู่เนี่ยหากพิจารณาถึงสภาวะก็จะเห็นว่าจะรู้ลักษณะจะรู้ลักษณะของธาตุเหล่านั้นรู้กิจของธาตุเหล่านั้นรู้อาการปรากฏของวยศายโยธา ทีนี้การที่เราจะพิจารณาจนเห็นละเอียดแยกแยะทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นได้อันนั้นอยู่ที่ยานปัญญาของผู้ปฏิบัติทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าเมื่อสติสมาธิและปัญญาแก่กล้ามากขึ้นผู้ปฏิบัติก็จะรู้ถึงจิตรู้เลยนะมันไม่ใช่รู้แค่รูปธรรมอย่างเดียวเข้ามารู้ถึงว่าจิตที่คิดจะเดินจิตที่คิดจะยืนจิตที่คิดจะนั่งจิตที่คิดจะนอน มันไม่ใช่แค่วิจัยแค่รูปธรรมแล้วย้อนมาวิจัยไอ้ตัวตัวจิตเลยในบรรดาจิตที่คิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนั้นเป็นกลุ่มจิตไหนไปเห็นเลยว่าโก้กลุ่มโลภะจิตเป็นเหตุในการที่จะยืนเป็นอย่างนี้โทสะจิตเป็นเหตุที่จะยืนเป็นอย่างนี้โมหะจิตเป็นเหตุใงการยืนเป็นอย่างนี้กุศลจิตมีศรัทธาเป็นต้นเป็นเหตุใงการยืนเป็นแบบนี้มันเข้าไปเจาะ ในบรรดาจิตนั้นก็แยกได้ด้วยว่าเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขั น, ขนวิญญาณขันกลุ่มกุศลรือจิตตุปบาทหรืออกุศลจิตตปบาทมันแยกได้ขนาดนั้นไม่แยกได้งั้นจึงเห็นโดยความเป็นขันธ์ห้าเป็นผู้เดินจริงๆเป็นผู้นั่งเป็นผู้นอนจริงๆนี่เป็นอย่างนี้นั่นการปฏิบัตินี่มันมันมันมันเป็นเชิงลึกแบบนี้มันเนื้อทายถอนครับ มันถึงถ่ายถอนความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอัตราตัวตนจริงๆทีนี้ในภาวะที่เรายังไม่ถึงตรงนั้นแต่ให้รู้อย่างนี้ก็เป็นบุญแล้วครับเป็นบุญว่าอ๋อมันมีแนวทางที่จะต้องเข้าไปรู้ความจริงแบบนี้มันมีแนวทางที่จะเข้าไปรู้ความจริงแบบนี้แต่อย่าลืมนะว่าถ้าจิตไม่สะอาดนะครับ จิตไม่แข็งแรงจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ใสจิตไม่สะอาดมันก็ไม่เห็นจะไปเห็นได้ยังไงสติไม่มีกําลังถ้าไม่เป็นสติปัฏฐานไม่เไม่เห็นมันก็เหมือนที่เราเป็นกันอยู่นะยืนเดินนั่งนอนยังไงมันก็รู้ว่านี่ก็รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนแต่มันไม่เป็นสติปัฏฐานเพราะไม่สติและปัญญาไม่เกิดร่วมกัน ไม่สัมปยุตกันไม่เกิดร่วมกันและสตินั้นที่จะเป็นสติปฐานได้ดังที่ได้กล่าวว่าสตินั้นต้องเกิดขึ้นอย่างแข็งแรงและมั่นคงสามารถที่จะกำหนดหมายเพื่อจะเข้าไปให้ปัญญาไปวิจัยอะไรก็ได้ไม่ใช่เลื่อนลอยนั้สามารถจะจับอารมณ์อะไรตรึงอารมณ์อะไรตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรแล้วเพื่อให้ปัญญาเข้าไปวิจัย เพื่อจะได้ไปเห็นความจริงในเรื่องนั้นถึงจะเป็นสติปัฏฐานภาวนาคาว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่อให้เกิดญาณ น, นะกายมีอยู่ก็เพียงเพื่อให้เกิดสติเท่านั้นก็แปลว่ากายนั้นเป็นอุปกรณ์เพื่อทำให้ญาณ น, นะสมบูรณ์ขึ้นเพื่อให้สตินะั้นสมบูรณ์ขึ้นจนถ่ายถอนตัณหาทิฏฐิไม่อิงอาศัยได้ เมื่อตัณหามานะทิฐิไม่อิงอาศัยในจิตนั้นจิตนั้นก็ใสสะอาดก็จะรู้แล้วก็จะเข้าใจรูปนามขันธ์ห้าตามความเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นได้อย่างนี้เป็นต้นจิตที่ต้องการจะนั่งและสภาวะที่เป็นวายโยธาที่มีลักษณะหย่อนตึงและปฐวีธาตุอันมีลักษณะแข็งอ่อนความเข้าใจสภาวธรรมของผู้ปฏิบัติเนี่ยแตกตา่ตงตางจากความรู้สึกของบุคคลทั่วไป เช่นนะในอัตถกาถาในยานวิพังพูดอยู่ในเอโกฮีพิกุคัจฉันโตเป็นต้นบอกว่าพิกษุรูปหนึ่งเดินไปคิดไปส่วนพิกษุอีกรูปหนึ่งเดินไปด้วยการเจริญกรรมาฐานไปโดยในเดียวกันนั้นรูปหนึ่งยืนนั่งนอนไปคิดไปรูปหนึ่งนอนจเจริญกรรมาฐานไป ในขณะในลักษณะอย่างนี้ในขณะก้าวหรือถอยก็ตามรู้สภาวะการก้าวหรือถอยโดยมีสติกาหนดที่บอกว่าภิกษุย่อรรมทำสัมปชัญญะก่าว <9 S 1> <9 S 2> คือการรู้ในการก้าวไปในการถอยกลับไอ้ก้าวไประถอยกลับเนี่ยก็คือว่าเมื่อยานปัญญาหรือสติสัมปชัญญะที่เกิดขึ้นมีความแข็งแรงแก่กล้าเกิดขึ้น ก็จะทำให้รู้ถึงจิตที่ต้องการจะก้าวไปและถอยกลับและสภาวะที่ก้าวไปและถอยกลับเคลื่อนไปอย่างชัดเจนปราศจากสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนเราเขามันเพิกถอนคำว่าสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนได้เลยในขณะนั้นฉะนั้นปัญญายาณที่เกิดขึ้นมาที่เกิดร่วมกันสติที่บอกว่าอภิ ก, กันเตปฏิกันเตสัมปชานาการีโหติ พิสูจย่อมทำสมปัญญะในการก้าวไปในการถอยกลับก้าวไปคือไปข้างหน้าถอยกลับก็คือเดินกลับมาข้างหลังไ อ, อเรื่องก้าวไปและถอยกลับเนี่ยเดี๋ยวดูดูอีกที่หนึ่งเนียเดี๋ยวจะได้แยกแยะให้ชัดก้าวไปถอยกลับเพราะว่าบางทีเราก็ เข้าใจคำว่าก้าวไปถอยกลับผิดเนี่ยไอ้ก้าวไปถอยกลับ คืออย่างนี้การเดินไปเนี่ยอภิกกันเตปฏิกันเตการเดินไปเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอภิกกันเตการเดินกลับเรียกว่าปฏิกันเตทั้งสองอย่างนั้นได้ในียบบททั้งสี่ก้าวไปถอยกลับเนี่ยได้ในียบบททั้งสนี่ยไม่ใช่ได้แค่ียบบทเดินอย่างเดียวเช่นนะ ในการเดินเมื่อเราโยกกายไปข้างหน้าโยกกายไปข้างหน้าเรียกว่าก้าวไปเมื่อเอนกายกลับชื่อว่าถอยกลับนี่นะในการยืนยืนเฉยๆอ่ะโยกยไปข้างหน้าเรียกว่าก้าวโยกยกลับมาข้างหลังก็ให้ถอยเห็นไหมเนี่ยไม่ขาไม่ต้องก้าวนะครับ เนี่ยนี่นี่จะพูดให้ฟังใ น, นขนาดที่เรานั่งอยู่เนี่ยโยกนี่ยได้ก้าวแล้วถอยกลับหรือว่าจะโยกนี้ก็ไก้าวเหมือนกันนี่กลับแล้วแต่จะเอาทางไหนนอนพลิกไปเลย ก, ก้าวพลิกนั่นแหละนั่นก้าวไปแล้วถอยกลับมันได้ใน e เอียบทัาสี่เห็นไหมภาษาของผู้พูดได้ย่อเนี่ยก็ภาษาของเราเป็นคนละเรื่อง กก้าไ้ถอยกลับน่างเรานั่งอยู่เนี่ยเราโยกไปนี่มีจิตที่คิดจะโยกไปอ่ะนี่เรียกว่าก้าวเรียบร้อยแล้วมีคิดจิตที่คิดจะโยกถอยกลับทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าการกําหนดจะโยกไปข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่อยากโยกโยกไม่ใช่เขากาหนดประโยชน์ ว่าโยกไปเนี่ยมันจะเป็นเหตุทําให้เรามันคลายปวดคลายเมื่อยเออนี่เป็นด้านของรูปกายแล้วนามารำแหละมันจะเป็นให้กุศลจิตเกิดหรืออกุศลแจิตเกิดถ้าเป็นอกุศลแจิตเกิดก็ไม่โยกทั้งๆ้งที่จะคลายได้เนี่ยใช่ให้มานาจการว่าจะต้องให้กุศลจิตเท่านั้นเกิดขึ้นจึงโยกไปนี่เขาขนาดนั้นเลยอันนี้ก็เรียกว่าศัทธกะสัมปชัญญะ ใช่สัมปชัญญะนี่นี่เป็นการใช้สติสัมปชัญญะเชิงลึกขึ้นนะอย่างนี้แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับแล้วสปายะทยํายังไงเออในเอียบดนั่งที่เราโยกนะ่ยมันสปายะกับเราไหมในด้านรูปประกายเออมันรู้สึปายะแต่มันสปายะทางด้านกายก็ดีแต่การโยกไปเนี่ยเป็นเหตุทำให้ราคาโทสะมโหหะเกิดขึ้น ก็ไม่สบายะและในขณะที่จะโยกไปเบิดเสร็จเนี่ยกรรมฐานกากับกรรมฐานยังติดต่อและต่อเนื่องอยู่ไหมถ้ากากับกรรมฐานยังติดต่อและต่อเนื่องอันนั้นเป็นโคจรัสัมปชัญญะและจะให้อสัมโมหะสัมปชัญญะเกิดยังไงก็จริงๆคือจิตที่คิดจะโยกจิตทายาเกิดขึ้นผกทาให้โยกเกิดขึ้น การชกาลทั้งหมดที่เรื่อรูปธรรมทั้งหลายคือดินน้ำไฟลมมีการโยกไปไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใดๆเป็นผู้โยกเลยคือรูปธรรมที่มีนมามธรรมเป็นตัวกํากับเฮงโยกไปเท่านั้นเป็นสภาวธรรมล้วนๆอาสามโมหะสามปชัญญะอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> <c oughs> ทีนี้ทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยไอว้วิชาพวกเนี้ยเราไม่เคยเด็กเรียนในเชิงลึกแบบนี้จริงๆเขาให้เจาะทุกเรื่องมันจึงบอกโอ้เป็นเรื่องเป็นกรณีศึกษาเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องของการเจริญสติสัมปชัญญะจริงๆเลยอย่างที่เป็นต้นทีนี้อันหลับแรกนะกำหนดประโยชน์ ไอ้ประโยชน์ทางด้านรูปธรรมและประโยชน์ของนามธรรมถ้าประโยชน์ของนามธรรมามายถึงเอาตัวศีลสมาธิปัญญาต้าโท ด, ดของรูปธรรมก็คือทําให้มันคลายปวดคลายเมื่อยทาให้ร่างกา ย, ยมันอุดทั้หายนี่เป็นต้นนต้นน่ะที่อย่างที่พูดเมื่อสักครู่ที่นี้ไอ้ตัวที่บอกว่าในขณะที่อโลกิเตวิโรกิเตสัมปชานาการีภิกษุย่อมทําสัมปชัญญะคือการแปลตรงแลเหลียวเนี่ย ในขณะและดูแลเหลียวเนี่ยให้ตั้งสติเนี่ยสัมปชัญญะในการกําหนดก็คือการเจริญสติอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ละทิ้งกรรมฐานการไม่ละทิ้งกรรมฐานเนี่ยเป็นโคจระด้วยเนาะการรู้ในวลมเป็นที่ตั้งการเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาผู้ที่เจริญกรรมฐานอยู่ที่จริงเนี่ยไอตัวที่เข้าไปเห็นด้วยความเป็นขันธ์ในยตนาธาต แท้ที่จริงการแลตงแรงแลเหลียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของขันห้าเรื่องของอายตนะเรื่องของธาตุเพราะมันมีอะไรการแลตรงเนี่ยมันอาศัยจักขุปประสาทอาศัยรูปารมณ์ใช่ไหมอาศัยจักขคุสัมผัสจักขคุวิ ญ, ญญาณเป็นต้นก็คืออาศัยมีอายตนะนั่นเองมีอายตนะแต่ที่จริงก็คือขันห้านี่เองเนี่ย เป็นผู้แรตรงขันห้านี่แหละเป็นผู้แรเหลียวแต่อสัยช่องทางผ่านจากอายทานะทางตาเป็นต้นยังมีการแรตรงและแรเหลียวทีนี้การแรตรงและแรเหลียวเนี่ยถ้าจะแรตรงไปตรงเนี้ยกำหนดประโยชน์ก่อนว่ามันได้ประโยชน์จากการที่จะทำให้กราชกายเนี่ยมันรู้สึกผ่อนคลายและสำคัญที่สุดกุศลและจิตเกิดไหมถ้าเราจะแรไปตรงในทิศนี้ ถ้าแลไปแล้วบาปบกสนลกรรมมันชั่วร้ายจะเกิดขึ้นแก่เธอก็ไม่พึงแรมแม่แรเหลียวกันระยะนี้เหมือนกันหรือจะมองไปทิดน้อยทิดใหญ่ก็เหมือนกันให้กําหนดประโยชน์ก่อนว่ากุศลจิตมันจะเกิดหรือไม่เกิดใช่และสปายะไหมว่ากุศลจิตเกิดก็จริงเนี่ยมันสปายะแก่กรัชกายไหมหรือสปายะที่จะทําให้กุศลจิตมันเกิดได้อย่างสะดวกไหม และในขณะเดียวกันสามารถที่จะถือกรรมฐานได้ต่อเนื่องเป็นโคจราสัพชัญญะได้ไหมที่จริงการแลตรงเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลลายๆเป็นผู้แลเลยหรือแลเหลียวก็เหมือนกันเพราะเมื่อจิตที่คิดจะแลตรงเกิดขึ้นจิตตชวายโยธาตก็พัดผันไปในกรรชากายนั้นก็ไปกากับตาทำให้ตานั้นเน่เปิดเปลือกตาขึ้น แล้วก็มองตรงไปเนี่ยไม่ได้มีใครเอาครีมไปล็อกไปดึงตาขึ้นมาหรอกแท้จริงก็เป็นกิจของวายโยธาที่เปิดเปิดกตาขึ้นจากครูประสาทก็ไปกระทบกระรู ป, ปารมณ์จากภรูวิญญาณก็ทำกิจไม่ได้มีสัตว์บุคคลใดๆเลยแท้ที่จริงเป็นกระบวนการของขันห้าที่กำลังเป็นไปเท่านั้นไม่ใช่อัตตาตัวตนไม่ได้สัตว์บุคคลใดๆให้เห็นอย่างนั้นน่ยจึงจะไม่หลงอย่างนี้เป็นต้น ถ้าไม่ละเอียดขนาดนี้จะจะคู่ควรต่อการโดยถ่ายถอนแล้วบรรลุทำไหมล่ะแหมถ้งงั้นกาหนดเห็นหนอ้อเห็นหนอแล้วบรรลุโอ้มันรู้สึกมันไม่ตื่นเต้นอะไรเลยถ้าบรรลุอย่างนั้นนะเข้าใจไหมมันต้องคู่ควรต่อการที่จะบรรลุสิการไม่ทอดทิ้งกรรมาฐานทั้งสมถะและวิปัสสนาเรียกว่าโคจรัสสปัญญ การรู้ในรมมันเป็นที่ตั้งของการเจริญสติสมาธิปัญญาเน้นผู้ที่เจริญวิปัสนาหรือเจริญกรรมฐานแท้จริงก็คือการขันอยตน า, าธาต์เท่านั้นเองที่มันกําลังดําเนินไปในการเหลียวในการแลทั้งหลายเหล่านี้ยทีนี้ผู้ที่จะเจริญกรรมฐานเนี่ยเขาให้มนุิยการอย่างไรควรใส่ใจ กรรมฐ า, านตลอดเขาบอกว่านี้เวลาดำเนินชีวิตเนี่ยเขาให้ทำกิจเหมือนกับแม่วัวและเล็มมญ้าตาก็ชำเรเลืองดูลูกน้อยทำไมตาและเล็มมญ้าเอแบบปากและเล็มมญ้าทำไมตาชำเรเลืองดูลูกน้อย เพราะว่าหนึ่งในขณะที่หากินด้วยแล้วก็ต้องแลดูลูกน้อยตลอดว่าลูกน้อยจะเป็นอันตรายเดินพัดตกเขาหรือมีเสือเหลืองเสือโค่งมามาฉุดมากินไหมเหมือนกันในขณะดา เ, เนินชีวิตในการทำกิจในการทากิจก็ไม่ปล่อยให้อกุศลจิตมันเข้ามากุ้มรุม คืออยาให้ศีลสมาธิปัญญาถูกทำลายศีล ส, สมาธิปัญญาเหมือนลูกน้อยการทำกิจในการดำเนินชีวิตเนี่ยเหมือนการแล a กิมยาและเลียมกิมยาของเมคนั้นบุคคลที่เข้ามาในศ า, าสนาต้องทำตัวเหมือนเมคโ้นั้นปากและเลียมยา่าตาชมเลืองดูลูกน้อยดีไหม <c oughs> ให้ฝึกอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัตินะ งั้นจะไปกำหนดเรื่องรูปธรรมนามาธรรมมาเป็นอารมณ์สรุปก็คือว่าในการที่ต้องดูเป็นต้นเนี่ยแล้วก็จะต้องกำหนดหรือจริงๆในหลักการตรง น, นี้ก็คือต้องมีความรู้มีความเข้าใจทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการคู่เข้าและในการเหยียดออกอันนี้จะทําพูดแบบห ย, ยาบๆก่อนนะ จะไม่ค่อยเจาะไปลึกมากกว่านี้จริงๆมันเจาะลึกมากไปกว่านี้ก็ได้เอาวิถีขึ้นมาตั้งเลยแต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นก่อนแต่ว่าจริงๆก็คือให้เห็นเข้าวโค้งของการปฏิบัติในพราษศาสนานี้ ส, ส, สัมมินขิเตภาษาริเตสัมปชานาการลีโหติเนาะภิกษุทำการเจริญสติสัพพัญญาในการคู่เข้าในการเหยียดออกในการคู่เข้าเหยียดออกเนี่ยตั้งสติกาหนด ในการคู่ในการเหยียดในการเคลื่อนในการสั่นมืออะไรก็แล้วแต่เลยานปัญญาที่แก่กล้าของบุคคลที่ฝึกดีแล้วเนี่ยสามารถจะรู้ถึงจิตที่ต้องการจะคู่และต้องการจะเหยียดด้วยจิตในการต้องการจะคู้เข้าและเหยียดออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากวายโยธาตที่เป็นตัวผลักดันในการเคลื่อนไหวในรูปของกริยาอาการดังกล่าวเนี่ย ในชั้นของอัตถกถาท่านบอกว่าการคูเข้าเหยียนออกที่พูดถึงในเรื่องของพระเทระที่เคยเล่าพระเทระรูปหนึ่งสวดนาับลุกศิต์ในขณะที่สวดนาับลุกศิตรอยู่นั้นน่ก็คูแขนเข้าอย่างรวดยาารี ย, นนยขาดสติปุ๊บยงขาเงี้แล้วท่านก็กำหนดใหม่เนะี่ยคูใหม่แล้วก็ไปจับ ลกศิษก็ถามว่าทําไมทําอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็บอกว่าเมื่อสักครู่กับผมสนนานาอาจารย์สนนานากับเธอเนี่ยผือขาดการกําหนดสติสัพพัญญะลืมกําหนดประโยชน์นีลืมกําหนดประโยชน์จึงต้องตั้งหลักใหม่ในการกําหนดเอาประโยชน์ก็คือขาดสตินั่นเองเนี่ยถือเอาประโยชน์ในลักษณะแบบนี้ศิษย์ได้ฟังอย่างนั้นก็สาธุ นี่นี่กักสาทกาสัมปชัญญะถ้าส ป, ปายะก็ดูความว่ากุศลมันมั น, ม, นมันคล่องในขณะที่โคเข้าลิเออยตอถ้าโคจระก็คือไม่ทิ้งกรรมฐานจะเดินพุทธคุณหรือรรมกุณอะไรก็แล้วแต่หรือถ้าอาสามโมหะก็คือ แท artistic, мод, ้ที่จออริรรออร ง, งจิตที่คิดจะคู่เข้าจิตที่คิดจะเหยียดออกไม่ใช่รู้แค่การรูปกายที่คู่เข้าหรือเหยียดออกรู้ความประสงค์ของจิตรู้จิตที่คิดจะคู่เข้าหรือเหยียดออกว่ากลุ่มกุศลจิตวิบาทหรืออกุศลจิตวิบาทที่จะคู่เข้าในกรณีถ้าจะเป็นอกุศลจิตวบาทจะคู่เข้าท่านจะตัดวงจรทันทีไม่ให้อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็ทํากุศลจิตเกิดขึ้นแล้วก็แยกแยะองค์ประกอบว่า แท้จริงก็คือเป็นกลุ่มกุศลจิตุบาที่ประกอบไปได้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวคิดที่จะคู่เข้าคิดที่จะเหยียดออกวายโยธาตก็พัดผันทําให้อยาบทที่เรียกว่าโครงกระดูกล่างกระดูกที่เรียกว่าแขนทั้งหลายเหล่าเนี้ยมีการคู่เข้าก็มีการเหยียดออกสัตว์บุคคลไรๆไม่ได้มีเลยไม่ได้มีอัตราตัวตนใดๆเป็นแก่นเป็นแกนสิงอยู่เลยเป็นเพียงแท้รู ป, ปรธรรมคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลม ที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาแม้นามธรรมาหรือจิตทิคิดจะคู่เข้าละเอียดออกก็แตกดับในขณนะนั้นเช่นจิตทิ่คิดจะคู่เข้ามันก็แตกดับในขณนะนั้นมันไม่เลยไปถึงขณะกําลังโค้หรือกําลังเหยียดแม้อาการที่กําลังเหยียดออกไปมันก็แตกดับอยู่ทุกขณะมันไม่เลยไปถึงเหยียดสุดหรอกนี้เป็นต้นให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยการรู้เข้าใจอย่างนี้ย เหมือนกรณีที่ว่ามีใครด่าเรานะครับจิตที่เขาคิดจะด่าวาจาที่ด่าการัชกายที่ด่ามันแตกดับในขณะนั้นถ้าเราจะกลับไปด่าตอบมันไม่ทันไอตัวนั้นแล้วมันแตกดับไปหมดแล้ว <laughs> มันจบไปแล้วเออมันเป็นอย่างนี้เนะยมันไม่มีการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวม า, มาอีกจุดหนึ่งแล้วมันก็พังลงสู่ตรงนั้น แล้วมันก็เกิดใหม่สืบต่อใหม่ถ้าเข้าใจความจริงตรงนี้ขึ้นมามันถ่ายถอนได้เยอะเลยถ่ายถอนได้เยอะถึงมันจะดับไปก็ขอด่ากล่าวให้มันสะใจวอย่างนี้ก็เลยไปทำบาปตามเขาอีกการคู่การเหยียดเนี่ยช่วยรู้ว่า คือจริงๆว่าก็คือนามมบัญญัติสันฐานะบัญญัตินี่มันสลับกันไป น, นกะการเคลื่อนไหวที่เรียกว่ายโอิโยแต่ตัวปัญญายาณที่เข้าไปเห็นที่เข้าไปรู้อย่างนี้มันเกิดดับรวดเร็วรู้สภาวธรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจบัญญัติเมื่อเข้าใจความจริงมันเหมือนว่าเวลาเราเข้าใจองค์ประกอบของรถหรือเข้าใจองค์ประกอบของรู ป, ปรขันท์ทั้งหมด ของเวทนาขันทั้งหมดสัญญาสังขารวิญญาณาขันทั้งหมดเวลาเข้าใจองค์ประกอบทั้งหมดแล้วเข้าใจกระบวนการจิตที่คิดแต่ละขณะที่มีการผักมีการพยุงทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นผักดันทั้งหลายเป็นต้นเกิดขึ้นเมื่อมันเข้าใจทั้งหมดอย่างท่องแท้แล้วเหลืออย่างเดียวว่าทําสติให้แข็งแรงทําสมาธิตั้งมั่นให้เกิดขึ้นทําญาณปัญญาให้เกิดขึ้นจนประจักษ์ความจริงใช่ไหมเมื่อเมื่อเข้าใจในด้านของ ข้อมูลที่เป็นสุดตามยปัญญาจินตามยปัญญาชงลึกแล้วเนี่ยเหลือทำทิฏฐิวิสุทธิที่เป็นภาวนามยปัญญาให้เกิดขึ้ น, น, นก็ง่ายสำหรับบุคคลที่มีข้อมูลเป็นอย่างดีแล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ในสัพ์ควาวสังคาติปตจิจีวราธารเนสัมปชาญญกาลีทำสัมปชัญญะในการพาสังคาติ อุ้มบาตรและห่มจีวรถ้าเป็นคารวะก็เครื่องนุ่งห่มในเวลานุ่งห่มจีวรคองสังาติก็มีสติกำหนดรู้กิริยานั้นว่านุ่งห่มในเวลาถือภาชนะบาตรถ้วยจานเป็นต้นเหล่านี้การจับการวางที่จริงเนี่ยมันมีจิตที่คิดจะจับจิตที่คิดจะห่มในหลักการตรงนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของจีวร พูดถึงในเรื่องของจีวรนี่ท่านในรายละเอียดเนี่ยท่านพูดค่อนข้างเยอะพูดอย่างนี้ว่าโอ้โหนี่พูดที่จริงพูดเรื่องขนาด จ, จิตเนอะพูดถึงเรื่องขนาด จ, จิตยกตัวอย่างเช่นว่าไอตัวการกําหนดหมายในการคู่ในการเหยียดเป็นต้นเหล่าเนี้ยแล้วก็พูดในเรื่องของในการบินทบาท หรือในการใช้ผ้าสังกัติก่อนเนาะคืออย่างนี้เดี๋ยวบ่งบอกทังราย ล, ละเอียดตรงนี้ตรงนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งทาสมปัญญาในการถ้าเป็นภิกษุก็ทรงผ้าสังกติบาทและจีวรถ้าเป็นคารวะก็นุ่งหม่มการใช้ผ้าสังกติการห่มจีวรในการนุ่งหม่มการใช้บาทในการรับภิกษาอาจารย์เป็นต้น ในบทนี่นะการที่นุ่งหม่มหรือการถือภาชนะหรือการถือบาตได้อมิตรมาประโยชน์ที่มีประการดังกล่าวพระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยในบอกว่าเวลาเราพิจรารณาสีตัสสะปฏิคาทายะเพื่อบรรเทาความหนาวใช่ไหมอุณหะสะปฏิคาทายะเพื่อบําบัดความร้อนเป็นต้นอันนั้นเป็นประโยชน์ในการหม่มใช่ไหม เพืกำจัดความหนาวกำจัดความร้อนเป็นต้นอันนี้เป็นศาสตกาหรือยังนี่เป็นศ า, าสตร์กาซัมปัญญะด้วยอำนาจแห่งประโยชน์และในขณะได้เปนอำนาจประโยชน์อย่างนั้นแล้วก็ต้องให้กุศลจิตเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ประโยชน์ว่าเออแค่หนาวและร้อนอย่างเดียวเอากุศลจิตเป็นเกณฑ์ด้วยทีนี้พิจารณาจีวรที่เนื้อละเอียดเป็นสัพพายะแก่ผู้มีปกติคนคนขี้ร้อน ผู้ที่มีกําลังน้อยเนีไไ่ยก็เหมาะแก่ผ้าบางๆผ้าเนื้อละเอียดจีวรเนื้อหนาหยาบสปายะแก่บุคคลที่มีในฤดูหนาวหรือบุคคลที่มีกําลังมากนอกนั้นไม่สปายะอันนี้เรื่องสปายะแล้วก็ต้องได้กุศลจากการใช้จีวรที่มันเนื้อบางเนื้อหยาบเนื้อละเอียดกันดว้วยกันไปนี่ให้กําหนดอย่างนั้นหรือก็ผ้าที่เราใช้ก็เหมือนกัน ใช่อันเดียวกันสติปัฏฐานใช้ได้ทั้งบัณฑิตบัณฑิตและขึ้นหัดใช่เป็นสพายะหนึ่งเป็นประโยชน์หรือเปล่าเพื่ออะไรกําหนดศาสตกาศเนะี่ยชีวอนก็ดีเสื้อผ้าก็ดีเนี่ยประโยชน์คือจริงๆป้องกันหนาวป้องกันร้อนบรรเทาความหนาวบรรเทาความร้อนปกปิดไม่ให้เกิดความละอายก็ว่าไปนั่นคือประโยชน์ในขณะเดียวกันคือ ตัวสติสัมปชัญญะตัวกุศลจิตต้องเกิดขึ้นจากการไปพิจารณาประโยชน์ด้วยไม่ใช่พิจารณาอาประโยชน์จริงๆแต่เอาอากุศลจิตไปพิจารณาท่านไม่ให้พร้อมเป็นประโยชน์แก่เราแล้วแล้วเป็นประโยชน์แก่เรานี่ได้สัตกาศทางด้านรูปธรรมนะนแต่รู้สึกว่าโอยเราชอบเหลือเกินสุขใจสุขใจเราได้อย่างนี้อันนี้ไม่เรียกว่าสัตกาศสัมปชัญญะในด้านของนมามธรรมนะ ดีไหมใช่หลวพระทำงานลิศไม่พอใจเงี้โทสะทํางานหรือโมหะโมเมาลุ่มหลงเห็นไหมเป็นโทษไม่เป็นสัทธะสัมปชัญญะได้ประโยชน์แค่รูปธรรมแต่นามธรรมไม่ได้สติไม่ได้สัมปชัญญะไม่ได้ปัญญาสองสัพพายะเนื้อเนื้อละเอียดเรื่องดูไหนฤดูร้อนเนื้อหยาบอุ่นเรือดูหนาวแล้วเราเป็นคนมีแรงน้อยแรงมาก สปายาค่ะเราไหมนั่นรูปธรรมและได้อย่างนั้นแล้วกุศลและจิตเกิดสติสัมปชัญญะเกิดหรือไม่เกิดจับตรงนั้นด้วยตรงนี้นะอืทีนี้จีวรเก่าไม่เป็นสปายะแก่แก่ภิกษุรูปใดเลยหรือผ้าเก่าๆใช่ไหมเพราะย่อมทําความกังวลให้เกิดขึ้นต้องคอยปากต้องคอยเย็บเก่ามันขาดไงตรงนี้เป็นตน้นก็ไม่จีวรผ้าชนิดชิ้นเดียวก็ไม่ได้ ไม่ได้ตัดเป็นขันเออเป็นต้นนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความโลภด้วยแล้วเป็นของพวาข้อนี้จะไงไหคะเช่นยังไงไม่ได้ถ้าอย่าง น, น, นี้คะาทสใช้ทจีวรนี่คือกลัวขาดกลัวเก่ากลัว อ, อะไรไม่มีขก็คือจะเป็นกังวลเป็นกังวลต่อการที่เราจะต้องไปป่าไปเย็บไปย้อมไปขาดมันเป็นกังวลจีวรเก่าๆผ้าเก่าๆที่เราใช้เนี่ย มันเป็นกังวลแต่ถ้าไม่เป็กังวลเรื่องนั้นแล้วก็ฆ่าไม่เดือดาอันนี้ก็ไม่ก็งั้นก็เป็นสัพยากรเราอยู่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องใกล้ไข้ยวดตรงนั้นนี่ท่านพูดถึงในกรณียกานว่าบางทีเนี่ยไอ้ตัวจีวรถ้าเป็นพระเนี่ยเราใช้จีวรที่ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดเป็นผืนเดียวเลยหนึ่งผิดวินัยสองเป็นอันตรายต่อชีวิตถ้าสมัยก่อนเขาป้นเนว้ผ้า เอนเอาผ้าเลยนะจึงผ้าเนื้อดีผ้ากาสีผ้าอะไรนะี่โอ้โหแต่มาตัดเสียมันเสียราคาไปนี่เป็นต้นทีนี้จีวรเนี่ยถ้าไปได้มาด้วยมิจฉาชีพไปได้มาด้วยการพูดล่อลวงมาอะไรมาฆลาวาสก็คือไปลักไปอะไรมาอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาชีวะอันนี้ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่สปายะ มันเป็นผิดผิดศีลไงไม่สปายะแล้วก็จิตก็เศร้าหมองเดินกรรมฐานต่อไปไม่ไหวเมื่อค้นนี้เป็นต้นฉะนั้นสปายะสัมปชัญญะเดิมหน้าแห่งผ้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปเดิมหน้าอย่างนี้และในขณะเดียวกันในขณะที่ถือผ้านี้เป็นไม่ละสติสัมปชัญญะไม่ละความเพียรไม่ละกรรมฐานเป็นโคจระสัมปชัญญะ เจาะลึกลงไปอีกว่าจีวร ใ, ใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เกิดขึ้นในการพิจารณาไม่มีอะไรที่ชื่ว อ, อัตตาในภายในของภิกษุที่ห่มจีวรอยู่หรือของของเครหัส่าที่ห่มผ้าอยู่นุ่งผ้าอยู่มีแต่การห่มจีวรหรือนุ่งผ้าด้วยอาการแผ่ขายายไปของวายโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิต มีจิตที่คิดจะข่มมีจิตที่คิดจะนุ่งเป็นไปอยู่แล้วก็เอามาปิดทีนี้ไอ้จีวรและกายทั้งสองอย่างเนี่ยจีวรก็ดีผ้าห่มก็ดีผ้านุ่งก็ดีกายก็ดีไม่มีเจตนาไม่มีความจงใจตั้งใจมันเป็นรูปธปรรมผ้าก็เป็นรูปธรรมกายนี่ก็เป็นรูปธปรรมแม้กายก็ไม่มีเจตนาจีวรก็ย่อมไม่รู้ กีวอนก็ย่อมไม่รู้ว่าเราห่มกายอยู่กายก็ไม่รู้ว่ากีวอนห่มเราอยู่มันรู้กันที่ไหนแล้วใช่ไหมผ้าก็ไม่รู้ใช่ไมว่าเราห่มกายอยู่กายก็ไม่รู้ถูกผ้าห่มอยู่ทั้งสองฝ่ายไม่มีเยรณาะไรเลยนะเป็นไปอย่างนั้นว่าเราย่อมห่มกายกายย่อมปกคลุมเราอยา่แม้กายก็ไม่รู้เราถูกผ้าห่มอยู่ธาตุทั้งหลายเท่านั้นปิดกันอยู่ ก็คือเอาธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟมาพาดลมมาปิดธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมใช่ใช่ใช่แล้วก็กายก็คือผ้าต่อก็คือธาตุต่อธาตุมันมาปิดกันอยู่มาปิดกันอยู่เท่านั้นเองเหมือนเอาผ้าเก่าห่อคำภีร์ไว้ผ้าใหม่ห่อคำภีร์ไว้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้จีวรดีได้เสื้อผ้าดีก็มีควรดีใจ ได้เสื้อผ้าดีได้จีวรไม่ดีก็ไม่ควรเสียใจเหมือนอย่างว่าจอมปวกเหมือนอย่างว่าพระเจดีเหมือนอย่างว่าต้นพระสีมหาโพหรือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นคนบางพวกจะเอาดอกไม้มาบูชาของหอมทูปและผ้าเป็นต้นคนบางพวกไม่บูชาแถมยังถ่ายอุจจาระปัสสาวะรดเป็นต้นหรือเอาสตราวุธทั้งหลายจอมปวกเจดีและต้นไม้เหล่านั้น ก็ไม่ดีใจไม่เสียใจจากการบูชาหรือไม่บูชานั้นฉันใดการได้ผ้าดีหรือไม่ดีก็ควรวางใจให้เป็นแบบนั้นพอจะชัดไหมนั่นแหละเขาให้เขาให้ใข้ควรแบบนี้ให้พิจารณาแบบนี้ เห็นไหมว่าจริงๆหลักการปฏิบัติก็ทํากันอย่างนี้ญเห็นไหมก็ใช้สติสัมปชัญญะในการใช้จีวรจริงๆในการใช้ผ้านุ่งข่มเครื่องนุ่มข่มจริงๆจริงๆก็คือธาตุนะจีวรก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไปธาตุลมกายนี้ก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไปเอาธาตุมาปิดธาตุมันไม่รู้กันหรอกจีวรมันเคยบอกโอ้โหกู กูได้หอมกายกายก็โอ้โหจีวรกายนี่กูถูกจีวรหอมอยู่หรือผ้าห่มอยู่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีเจตนาทั้งคู่แต่ไอจิตเนี่ยไอความจิตดียินร้ายของจิตที่ไม่ได้ฝึกนี่ต่งางหากเนี่ยก็จบอกว่าเอา้าวทำเหมือนจอมปวกทําเหมือนพระเจดีย์ทำเหมือนต้นโพทําเหมือนต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คนเอาผ้าไปหอมมอดอกไม้ไปหอม มีหมดทาดด่ทาดินท่าน้ำท่านไปท่านลมสีกินลดโอชา<ม>เอาวิธีโพกรูปาทาดครบดด ไ, ไม่ใช่จะได้อย่างเดียวได้ไงครบเลยนะก็คือมันมีอวิโพรูปด้วยก็ดินน้ำไปลมสีกินลดโอชาถ้ากระทบกันมีเสียงด้วยสัทธาอีกรูปหนึ่ง พอจะมองเห็นฮะมี <c oughs> <c oughs> จริงๆให้มองพิจารณาธาตุ <c oughs> ตัว น, นี้เขาไปจุกคอเลย <c oughs> อ้าวยวต่อทีนี้ทีนี้ว่า ในกรณีการใช้พาชนะมีบาดเป็นต้นเออเอาเอาเอาดีเอานี้ไปใส่น้ําอุ่นหน่อยก็ดีมันรู้สึกมันแช่ ทีนี้ในกรณีาการพิจารณาอาสามโมหาสัมปัญญาก็ต้องพิจารณาถึงใช้จริงก็คือไม่มีอัตราตัวตนใดๆเลยเยอะมีกิริยาอย่างที่ได้กล่าวไว้ทีนี้ในกรณีเห็นการใช้ภาชนะมีบาทเป็นต้นเหล่านี้เออผู้ไม่ได้อำนาจเห็งการ พิจารณาถือเอาประโยชน์ที่เป็นสาธกษ์สัมปชัญญะโดยเฉพาะภิกษุเนี่ยไม่หยิบบาทโดยรีบร้อนแต่หยิบหยิบโดยพิจารณาว่าเมื่อเราหยิบบาทหรือภาชนะเที่ยวไปบินดาบาตจักได้พิกษาดังนี้เป็นปัจจัยจะได้ได้อาหารบาทหนักไม่เป็นส ป, ปายะแกภิกษุที่มีกายผอม แม่บาทที่ล้างยากก็ไม่ควรด้วยหรือบาทที่มีขุขามีปุ่มสี่ปุ่มห้าปุ่มล้างยากก็ไม่เป็นสปายะแก่ผู้ใดหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลยบาทที่ล้างยากก็ไม่ควรได้ว่าเมื่อล้างบาทนั้นนั่นแหละก็จะมีกังวลก็บาทที่มีสีเหมือนแก้วมณีก็เป็นที่ตัง้งในความโลภสีสวยๆไม่เป็นสปายะ ทีนีบาทที่ได้มาด้วยอำนาจแห่งการกระทำนิมิต ท, ที่ผิดพลาดหรือได้มาโดยไม่ไม่ควรหรือด้วยการเลี้ยงชีพผิดก็เป็นอาส ป, ปายะทีนี้ในการใช้สอยอุปสมธรรมทั้งหลายก็จะเจริญขึ้นกุสทธรรมทั้งหลายก็จะเสื่อมไปงั้นบาทนี้ก็เป็นอาส ป, ปายะไม่เป็นส ป, ปายะ ก็ต้องพิจารณาว่าเมื่อใช้บาตรนี้แล้วเนี่ยกุศลแจิตมันจเจริญขึ้นอกุศลมันเสื่อมอย่างเนี้ยมันจะได้เป็นสัตตกะหรือสปายะก็ไปพิจารณาตรงนี้ด้วยทีนี้ในกรณีแห่งการที่ถือบาตรนั้นแล้วสามารถถือกรรมฐานไปถือกรรมฐานกลับเป็นต้นได้อันนี้มันเป็นโคจรสัมปชัญญะ ไม่มีอะไรเชื่อเป็นอัตตาในกายในภิกษุผู้อุ้มบาศอยู่นะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีอัตตาตัวตนดินมุอุบางธรรมดาการอุ้มบาศจะมีได้ด้วยการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตใไในการอุ้มบาศนั้นนะมือและบาททั้งสองนั้นนะบาทก็ไม่มีเจตนา มือก็ไม่มีเจตนาะไม่มีความคิดการอะไรเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมบาทย่อมไม่รู้ว่ามือนะอุ้มเราแม้มือก็ไม่รู้ว่าเรานะ้ออุ้มบ า, าดธาตุทั้งหลายคือธาตุดินธาตนุน้ำธาตุไปธาตุลมกลุ่มธาตุเหมือนกันกับเอาคีมนะขีบบาทที่ร้อนเป็นไฟอย่างนั้น มันรู้สึกที่ไหนมันรู้เรื่องที่ไหนถ้าเราครีมที่ร้อนไปคีบที่บาดหรือคีบที่ภาชนะไอ้คีมมันก็ไม่รู้ว่าตัวมันร้อนไอ้ตัวบาดก็ไม่รู้ว่าร้อนมือที่อุ้มบาดก็ไม่มีเจตนาบาด ท, ที่ถูกอุ้มก็ไม่มีเจตนาบาดก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในอุ้งมือมือก็ไม่รู้ว่าเรากำลังองุ้มบาดต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีเจตจนงหรือเจตนาเลยเป็นต้น ลักษณะอย่างนี้ให้เห็นว่าไม่ควรทำความดีใจหรือเสียใจจากการได้บาทที่เหมาะสมหรือไม่ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจให้เกิดขึ้นเป็นต้นและในขณะที่เดินไปเนี่ยก็ถื อ, ถ, อ, ถ, อถือกรรมฐานเป็นต้นด้ถามว่าถา้าอาศัมโมหาสัมปชัญญะให้พิจารณาอย่างไรก็พิจารณาถึงความว่าจริงๆแล้วเมื่อจิตที่คิดจะอุ้ม จิตจะชาวโยธาแผ่ไปแล้วก็แ ท, ท้จริงก็คือเป็นแต่ธาตุดิเป็นเพียงขันห้าเป็นผู้อุ้มบาตรเท่านั้นเหมือนอย่างนี้ว่าเหมือนพิจารณาจีวรถามหรือเสื้อผ้าจีวรที่เรามาห่มถ้าถามว่าให้พิจารณาเห็นจีวรเหมือนผ้าพันแผลหรือเครื่องนุ่งห่มเหมือนผ้าพันแผลบาตรเหมือน ถ้วยกระเบื้องใส ย, ยาภาชนะที่เราไปกินอาหารเหมือนถ้วยกระเบื้องใส ย, ยาภิกษุเครือข่าที่ที่ได้มาในบาตรก็คือพิกษาที่อยู่ในบาตรอาหารที่อยู่ในบาตรหรืออยู่ในภาชนะเหมือนอยู่ในถ้วยกระเบื้องภิกษุนี้พึงทราบเถิดว่าเป็นผู้มีปกติทำสัมปชัญญะอย่างสูงสุดถ้าพิจรารณาอย่างนี้ เพราะอะไรเพราะปกติอสามมหสสัมปัญญาในการใช้สอยบาทสังคติจีวรเป็นต้นนั้นอุปมาเหมือนว่าคนทั้งหลายเนี่ยเห็นคนอนาถามือเท้าด้วยเป็นโรคเลือนมีน้ำหนองไหลเลือดไหลทั้งหมู น, หนอนก็ชอนชัยตามตัวเนาะเป็นแผลที่แผลมีมแมลงวานนัวเขียวตอมหึงอยู่นอนอยู่ในสลาก ของคนอนาถาผู้ที่มีความเอนดูก็เอาผ้าพันแผลมาให้บ้างเอายาใส่ถ้วยกระเบื้องเป็นต้นมาให้บ้างแก่คนอนาถาเหล่านั้นบรรดาคนเหล่านั้นบรรดาของเหล่านั้นผ้าพันแผลบางคนเป็นผ้าเนื้อละเอียดก็มีบางคนเป็นผ้าเนื้อหยาบก็มี ถ้วยกระเบื้องใส่ยาบางคนรูปร่างสวยก็มีบางคนไม่สวยก็มีคนอนาถาที่ป่วยเหล่านั้นน่ะย่อมไม่ยินดีหรือลังเกียรตในสิ่งของเหล่านั้นด้วยว่าคนอนาถาเหล่านั้นต้องการผ้าพันผ้าเพียงปิดแผลเท่านั้นและถ้วยกระเบื้องก็ต้องการใส่ยาไว้เทั้งข้อนี้ฉันใดให้พิจารณาสิ่งที่หอมเหมือนผ้าพันแผล การาชกายเนี้ยมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีแผลมีแผลทวานหนักทวานเบาทวานปากทวานจมูกทวานหนูทวานตาทั้งหลายแล้วก็รูคุ้มขนเนี่ยคือแผลที่มันมีของไม่สะอาดไหลออกแล้วก็กิเลสเป็นต้นที่ไหลออกทางตาหูจมูกลินกายใจทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับเป็นของไม่สะอาดไหลออก ฉะนั้นการได้ผ้าก็ดีได้ภาชนะใส่ยามาก็ดีจะเนื้อละเอียดหรือไม่เนื้อละเอียดจะภาชนะสวยหรือไม่สวยไม่ควรใส่ใจว่าขอให้มันพันแผลกันหนองไหลออกมาได้เลยได้หรือ ม, มียากินพอประทังชีวิตไปได้ให้มนตรีการอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอย่างสูงสุดควรบรรลุไหม นี่แหละลักษณะอย่างนี้แหละให้พิจารณาอย่างนี้เสนาสนะไปอยู่อีกหมวดนึงไปอยู่อีกหมวดในปฏิสังคาโยนในหมวดศีล <laughs> ในกรณีอย่างนี้ก็คือว่าทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าว่าไงมีไหมภิกษุเป็นผู้ทำสัมปชัญญะในการกินในการดื่มในการเคี้ยวในการลิ้มเนะการฉันบินดบาตในการดื่มข้าวยาคูในการ เคี้ยวของเคี้ยวมีแป้งเป็นต้นเนในการลิ้มน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยไอ้ตรงนั้นก็อย่างที่เราพิจารณาประโยชน์ในยาวะเทวะไม่ใช่เพื่อเล่นเป็นต้นนั้นเป็นประโยชน์ไปภาชนะที่ปราหนีมีของหวานเป็นต้นนะเป็นส ป, ปายะหรือไม่สั ป, ปายะพิจารณาอย่างนั้นการกระทามาแบบได้นิมิตในการได้มาอันนั้นก็ไม่เป็นส ป, ปายะไป แล้วก็เป็นการถือกรรมฐานที่ในการบินบาทเป็นต้นไม่มีใครชื่อว่าเป็นอัตตาภายในเป็นผู้บริโภคแต่มีการรับบาดธรรมดาการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากจิตตรงที่กล่าวนี่เนี่ยทีนี้เรื่องต่างๆตรงนี้ถ้ามองในเรื่องของการบริโภคในการเคี้ยวเนี่ยถ้าในใครใครควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเวลาจิตที่คิดจะ ในกรณีของการที่ว่าในการบอกว่าการแผ่ขยายไปข้องวาโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตโดยประการต่างๆเนี่ยการหย่อนมือลงในภาชนะและในบาศโดยการแผ่ขยายไปข้องวาโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตมีแต่การปั้นคําข้าวการยกคําข้าวขึ้นการอ้าปากรับก็คือการแผ่ขยายไปข้องวาโยธาที่เกิดจากกิริยาของจิตเท่านั้น ไม่มีใครเอากุญแจรหรือเครื่องยนต์เปิดกระดูคางนะไม่มีหรอกแต่แท้จริงก็เป็นการผักของวายโยธามีแต่การวางคําข้าวไว้ในปากการให้ฟันบนทาหน้าที่แทนสากฟันบนเหมือนสากนะฟันล่างทาหน้าที่แทนครกและการให้ลิ้นทาหน้าที่แทนมือ โดยการแผ่ขยายไปของวายโยธาที่เกิดจากกิเยาของจิตเท่านั้นทีนี้ในการบริโภคในการเคี้ยวเป็นต้นน้ําลายบางๆที่ปลายลิ้นน้ําลายนานหนาๆที่โคนลิ้นน้ําลายที่เหนียวๆที่โคนลิ้นนั่นงมันก็คุกเข้าตล่อมเหมือนอลิ้นเนี่ยลิ้นเหมือนมือลงในครกคือฟันล่าง น้ำคือน้ำลายก็ทําให้เปียกชุ่มเวลาเคี้ยวเนี่ยแหลกละเอียดด้วยสากคือฟันบนสุก ป, ปุ๊บปุ๊บป๊บปบมันมันมันบดใหญ่ไม่มีใครมาตักใส่เข้าไปภายในด้วยช้อนหรือทับผีเข้าไปด้วยอะไรที่มันไหลเข้าไปก็วายโยธาเป็นตัวผักเข้าไปผักอาหารก็เข้าไปตามหลอดอาหารลวงไปในลําคอไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง ลาดหรือผักเข้าไปเลยตั้งอยู่ได้ด้วยอำนาจของวายโยธาด้นั่นแหละอาหารที่ตั้งอยู่นั้นๆก็หามีใครเอาเตาไฟมาหุงมาต้มไหมย่อมสุกด้วยด้วยปาจากะเตโชธาตอาหารที่สุกแล้วก็หามีใครใช้ท่อนไม้หรือไม้เท้าเขี่ยออกไหมการเขีย่ยหรือการขับถ่ายออกมาก็คือวายโยธาต เ, เป็นตัวผัก ขับออกมาด้วยประกาศอย่างนี้นั่นว่าโดยวายโยธาเยมนำอาหารเข้าไปเปลี่ยนแปลงทรงไว้กลับไปกลับมาบดให้ละเอียดทําให้แห้งแล้วก็นำออกปะทวีธาดก็ทรงไว้กลับไปกลับมาบดให้ละเอียดทําให้แห้งอาโปธาดก็ททาให้เหนียวเกาะกลมรักษาชุ่มชื้นก็ไว้ไอตัวเตโชธาดก็ทาให้สุกและย่อย อากาศธาตุก็แยกเป็นส่วนๆวิญญาณธาตุก็กํากับสั่งการจะกินอย่างนั้นจะกําหนดอย่างนี้มันเป็นเรื่องของธาตุจริงๆใช่ไหมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุจิตมันเป็นเรื่องของธาตุไม่มีสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนใลๆเลยไปเคี้ยวไปกินเขาให้วิจัยพิจารณาอย่างนี้ เห็นไหมว่าเขาใช้สติสัมปชัญญะในการวิจัยเนี่ยพระริเจ้าสอนเราขนาดนี้นบอกขนาดนี้เนี่ ย, ยโอ้โหถ้าไปพูดเรื่องการไปแสวงอาหารโดยการได้มาเป็นยังไงโดยการแสวงหาโดยการบริโภคโดยที่อยู่โดยที่พักในกระเพาะอาหารเป็นยังไงโดยยังไม่ย่อยเป็นยังไง เมย่อยแล้วเป็นยังไงโดยผลคือไหลออกมาเป็นยังไงโดยความเปรอะเปื้อนให้พิจารณาหมดจนไม่มีที่ตั้งของกิเลสเลยนี่ให้เห็นอย่างนั้นทีนี้ภิกษุทาสติสัมปชัญญะในการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะทำยังไงอุจจาระปัสสาวะก ร, รมเมเนี่ย ในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเมื่อถึงเวลาถ่ายอุจจาระและปัสสาวะก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ถ่ายนะเหงื่อก็จะไหลออกทั่วส ะ, ะพางร่างกายในตาก็จะผ้ามัวจิตก็จะไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวจิตกระสรับกระสายถ่ายไม่ออกหรือไม่ได้ถ่ายทุกข์ทรมานโรคอื่นๆก็เกิดขึ้น แต่เมื่อถ่ายแล้วทุกอย่างก็ย่อมไม่มีนี่เป็นความในข้อนี้นี่เป็นรราศาสตะกาสัมปะชัญญะโอ้เป็นประโยชน์มีประโยชน์ทางด้านลูปธรรมให้พิจารณาอย่างนี้ถ้าพิจารณาในส่วนของนามธรรมก็คือถ้าไม่ขับถ่ายอากุศลลมเล้าอย่างมากเครียดกุ้มทุกเพราะถ่ายได้เนี่ย สปายะมันเกิดขึ้นสาตกาเป็นต้นนี้เกิดขึ้นทีนี้ถ้าถ่ายอุจล ร, ปราปัสสาวะในที่ไม่ควรเป็นอบัตอีกเป็นอบัตอีกย่อมเสียชื่อเสียงอีกเป็นอันตรายแก่ชีวิตอีกไปถ่ายที่นี่ไม่เหมาะไม่สมเมื่อถ่ายในที่สมควรทุกอย่างก็เป็นไปด้วยอันนี้เป็นสปายะทีนี้ในขณะที่ไปถ่ายอุจจราชหรือัสสวะก็ไม่ละทิ้งกรรมฐาน สติและสัมปชัญญะความเพียรที่สร้างสรรค์ต้องเกิดขึ้นไม่มีใครชื่อว่าเป็นอัตตาภายในเป็นผู้ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะไม่มีเลยมีแต่การถ่ายอุจจาะระปัสสาวะโดยการแผ่ขยายไปของวายโยธาอันเกิดจากกิริยาของจิตเท่านั้นเป็นตัวผลักให้ออกมาไม่มีสัตว์บุคคลใดๆเลยนะ้หรือถ้ามองอย่างนี้ก็คือฝีแตกเพราะฝีมันสุก น้ำหนองหรือเลือดย่อมไหลออกโดยไม่มีใครต้องการชั้นใดภาชนะที่น้ำเต็มเปี่ยมย่อมไหลออกโดยไม่มีใครต้องการแม้ชั้นใดอุจจาระปัสสาวะที่สั่งสมอยู่ภายในลำไส้และในกระเพาะปัสสาวะหรือกระเพาะอุจจาระเนี่ยมันหนักเข้ามันก็ไหลออกโดยไม่มีใครต้องการชั้นนั้นอุจจาระและปัสสาวะนีเมื่อไหลออกนั้นย่อมไม่เป็นของตน ของภิกษุนั้นไม่เป็นของคนอื่นเป็นกากอาหารที่ไหลออกจากร่างกายเท่านั้นเหมือนอย่างว่าคนที่ถ่ายน้ำเก่าออกจากตุ่มน้ำเก่านั้นย่อมไม่เป็นของตนและไม่เป็นของใครเป็นเพียงแต่การล้างตุ่มเท่านั้นแหละพึงมีสติสัมปชัญญะในการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะด้วยอาการอย่างนี้ใหพิจารณาอย่างนี้ อ่าพิจารณาอย่างนี้อ่ถ้ามองถ้าพิจารณาลักษณอย่างนี้<า>คู่ควรจะบรรลุไหมการกินการกินช่องไหนที่จะอร่อยการฉันการดื่มการเคี่ยวการลิ้มนะยตรงเนี้ย ที่จริงท่านพูดถึงสิบอย่างการสแสวงหาการบริโภคเป็นต้นเหล่านี้ยในการเดินสติสมัมปชัญญะแล้วก็ถ่ายุจจาปรปัสสวะตามที่ได้กล่าวทีนี้ ตรงนี้ที่ที่อันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเข็นเป็นต้นเหล่านี้นะี่ยอันนี้วันนี้คงจะไม่เอาเรื่องของขณะจิตมากล่าวก่อนแต่กล่าวหเห็นเพียงคร่าวๆเพื่อจะได้เป็นหลักปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายเพราะว่า การปฏิบัติของเราท่านทั้งหลายเนี่ยบางทีมันในชีวิตจริงของเราถ้าเราได้รู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะได้เอาไปฟังบ่อยๆไปมานาสการบ่อยๆใส่ใจบ่อยๆแลยได้เป็นประโยชน์ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งตรงนี้ก่อนที่จะจบตรงเนี้ยจะพูดเรื่องของพระพุทธเจ้าตัดเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับสภาวะของกิเลสและของสติสัพชัญญะหรือวิปัสสนาญาณ ตอนนั้นพระเจ้าตรัสแก่ภิกษุมาลุงกะยะมาลุกะยะบุตรซึ่งเมื่อเฝ้าขอกำทานก่อนที่พระเจ้าจะประทานกำทานแก่เธอก็ชี้แจงให้เข้าถึงสภาวะของกิเลสและให้เข้าใจถึงตัวสติสัมปชัญญะพระเจ้ากระตัสบอกว่าตังกิงมัญญสิมาลุงกะยาบุตรเป็นต้นดูก่อนมาลุกะยะบุตร เธอยังไม่เห็นรูปสีสันใดๆที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเลยและเธอก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนและไม่ได้เห็นในปัจจุบันเธอไม่ควรที่จะจินตนาการว่าเราสามารถเห็นอย่างนี้เป็นต้นประโยคตรงนี้จริงๆมันรายละเอียดคืออย่างนี้รายละเอียดก็คือว่าเมื่อท่านมาขอกรรมาฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัสตัดต จัดให้ให้วิธีการกำหนดกำหนดยังไงเดี๋ยวเอาเอ า, เอาจุดการกำหนดเลยดีกว่าจะได้ไม่ไม่ไม่ยาวเกินไป อ, องนเนบอกว่า <c oughs> เมื่อโยคียหรือผู้ปฏิบัติเห็นรูปแล้วเห็นรูปเห็นสีนี่นะ ใส่ใจรูปดังกล่าวว่าเป็นนิมิต ท, ที่น่ารักด้วยอํานาจของอะโยนิโสมนุสกานก็ทําให้หลงลืมสติจริงไหมเได้เห็นรูปนี้ไปใส่ใจว่าน่ารักหรือไม่น่ารักปุ๊บด้วยอโยนิโสมนัสิกานปุ๊บเนี่ยตอนนั้นกิเลสเกิดการหลงลืมสติเกิดขึ้นโยคีหรือผู้ปฏิบัตินั้นก็จะมีจิตกําหนักสวยอารมณ์นั้นและมีความติดใจในอารมณ์นั้น ความรู้สึกดีไม่ดีอันเกิดจากะจากรูปความโลภและความโกรธย่อมทวีขึ้นเป็นอันมากทั้งกว่าราคาโทสะจิตของโยคีนั้นย่อมถูกเบียดเบียนให้เล่าร้อนเมื่อโยคีนั้นสั่งสมสั่งสมกิเลสอย่างนั้นปุ๊บสั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้ห่างไกลพันิพาน ฉนั้นทาไปสิเห็นรูปด้วยอายโยนิโสมณัสิการทําให้ความกำหนัดหรือขัดเคืองเป็นต้นเกิดขึ้นกรณีอย่างนี้ชื่อว่าสั่งสมทุกนั่นแหละห่างไกลพระนิพพานไปเรื่อยๆได้ยินเสียงก็ทําอโยนิโสมณัสิการทําให้ชอบใจหรือไม่ชอบใจใเกิดขึ้นความแล้วก็แล่นไปนะความรู้สึกเกิดจากการเห็นความโลภโกรธหลงก็ทวีขึ้นเป็นอันมาก ความโลภทวีขึ้นความโกรธก็ทวีขึ้นจากการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสการคิดนึกกรณีอย่างนั้นน่ะกิตของเธอนั้นถูกเบียดเบียนให้เล่าร้อนเมื่อสั่งสมทกอยู่อย่างเนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้อยู่ห่างไกลพระนิพพานทีนี้คาถาเนี่ยในขณะเทียนรูปารมห์หากไม่มีสติสัมปชัญญะ กำหนดแปลว่าห่างหรือโอกาสจะถึงพระนิพพานไม่ได้ทีนี้คำว่าเมื่อเห็นรูปแล้วใส่ใจรูปดรงกล่าวด้วยนิมิตที่น่ารักก็หมายคําว่าเขาขาดสตินะไม่มีสติสัมปชัญญะไม่ได้เจริญวิปัสสนาญาณที่เกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงทีนี้กรณีอย่างนี้ไม่ได้ยกรูปธรรมหรือนามธรรมขึ้นสู่ใตรัก จิตก็กำหนัดสวยอารมณ์นั้นก็พอใจในสิ่งที่เห็นเป็นต้นความโลภหรือความไม่พอใจโรภโกดหลงเป็นต้นก็เกิดขึ้นเนี่ยท่านมาลุงกะยะบุตรกล่าวถึงความโลภอย่างเดียวอย่างเี้ยลักษณะแบบเนี้ยแท้ที่จริงก็คือว่าเห็นเนี่ยโลภเกิดก็ได้โกรธเกิดก็ได้หลง ก, ก็อย่างนี้แรกสั่งสมทุกข์อยู่อย่างเนี้ยบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้ห่างไกลพฏิพาน เมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงในการเห็นอย่างนี้เกิดกิเลสคือราคาโทสะมหาตลอดเวทนาทั้งหลายก็เกิดร่วมก็เชื่อเป็นผู้ห่างไกลจากพันิพานนี้ก็ใจงี้เนี่ยในชีวิตจริงของพวกเราให้สังเกตดูว่าเราเนี่ยดําเนินชีวิตที่ใกล้ต่อพันิพานหรือห่างไกลเอาตรงกันข้ามถ้าโยคีนั้นเห็นรูปแล้วมีสติสัมปชัญญะรละลึกปิดบาปองศน มีโยนิสโสมนั ส, สการเกิดกุศลเกิดสติเกิดไม่ยินดีไม่กำหนับไม่ขัดเคืองในรูปมีจิตคลายความกำหนับสวยอารมณ์นั้นไม่มีความติดใจในอารมณ์นั้นเมื่อโยคีนั้นเห็นรูปและสะวยอารมณ์อยู่ทุกย่อมสิ้นไปไม่ถูกสั่งสมไว้ด้วยวิธีใดโยคีนั้นพึงเป็นผู้มีสติเที่ยวไปด้วยวิธีนั้น ผู้ที่ไม่สั่งสมทุกอยู่อย่างนี้บัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้อยู่ใกล้พันิพาณเ อ, อในกรณีอย่างนี้ก็ว่าในพระสูตรเนี้ยพระเจ้าที่แสดงตรงนี้เพื่อต้องการชี้เราเห็นว่าทุกอารมณ์ที่เราเกี่ยวข้องเป็นเครื่องบอกว่าเรากำลังสร้างเหตุที่จะไกลพันิพา น, านหรือใกลพันิพาณมีตัวชีวัด คือสติสัพพัญญะในกรณีการเห็นการได้ยินได้กลิ่นดื่มสัมผัสคิดนึกเป็นเครื่องชี้วัดไม่ใช่ปราถนาจะนิพพานแต่ในชีวิตจริงเนี่ยปล่อยให้ราคะโทสะโมหะมันเกิดจากการเห็นได้ยินเป็นต้นยังไงบัณฑิตมีพระเจ้าเป็นต้นก็บอกว่าเรานั่นอยู่ห่างพระนิพพานอันนี้เป็นเครื่องชี้วัดสําหรับบุคคลที่ปรารถนาจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์พอจะชัดไหมนี่เป็นแบบนี้ มีอะไรสงสัยมั้ยมาลุงกระยะะาะมาขอกรรมาฐานกับพุทธเจ้ามาขอกรรมฐานกับพุทธเจ้าคือในหลักการเนี่ยโยนิโสมนสิกานี่ก็หมายความว่า เวลาตั้งโยนิโสมนัสิการนี่ก็คือจิตตุปบบาทหรือจิตเจสิกที่ประกอบด้วยยานปัญญาที่เกิดขึ้นเด้วยหน้าถึงการรู้สภาวะเอ่ยรู้กิตเอ่ยรู้ไตรลักษณ์ของสภาวะธรรมทั้งหลายกุศลจิตเกิดนั่นแหละคือกุศลจิตเกิดขึ้นไอตัวโยนิโสมนัสิการที่เกิดขึ้นไอตรงนี้เวลาที่เราจะมาพิจารณาในรายละเอียดตรงนี้เป็นแบบนี้นะว่า มันมีเดี๋ยวสรุปตรงนี้เังมันมีบางสูตรเนี่ยที่บอกว่าเห็นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเนี่ยเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเคยได้ยินได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นเหล่านี้มันมีมีมีในพระสูตรที่เกี่ยวกันในเรื่องตรงนี้อยู่เนาะ เห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นต้นเหล่านี้จริงๆรายละเอียดเยอะมากตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยเอาไปอ่านก็จะไม่เข้าใจนะครับถ้าท่านทั้งหลายไปอ่านกันเนี่ยเพราะว่าเวลาอ่านในพุทธพจน์ก็อย่างเวลาใส่ความเข้าใจไปอธิบายที่ความเห็นก็เยอะแต่ต้องอ่านแล้วก็คอยคอยสังเกตด้วยนี่อาศัยเออเขยึดท่านยกบาลีมาเลยมาก็เลยเป็นประโยชน์แกเราทีนี้ ที่ต้องการ <c oughs> เอตรงนี้ดีกว่าเป็นคำๆดูก่อนมาลุกยาบุตรอันหนึ่งในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เธอเห็นได้ได้ยินเข้าถึงได้และรู้ได้ <c oughs> ก็หมายความว่าก็ ค, คือว่าสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบและสิ่งที่ได้รู้ที่จริงเนี่ย ในสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้ากล่าวสี่อย่างแต่กล่าวอารมณ์หกยอเป็นสี่เห็นนี่คือทางทวารตาได้ยินคือทวารหูทราบนี่คือทวารจ ม, มูกทวารลิ้นและทวารกายแล้วก็รู้ก็คือทวารใจคือย่อจากหกอะเหลือสี่นะให้ให้เข้าใจตรงนี้เวลาีนกล่าวในสูตรเนี่ยทิศเถะ มาจะคําว่าทิฏเต ท, ท, ทิฏธรรมตังภวิสติที่บอกว่าสักแต่ว่าเพียงเข็นในรูปารมณ์ที่พึงเห็นได้จักมีแก่เธอแม้ได้ยินเป็นต้นก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นทราบควพึงจักรู้แจ้งก็สักแต่รู้แจ้งเนี่ยดูก่อนมาลุงกยะบุตร ในการใดแลในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เธอเห็นได้ยินเข้าถึงได้และรู้ได้สักแต่ว่าเพียงการได้เห็นในรูปารมณ์ที่เพิ่งเห็นสักแต่ว่าได้ยินเป็นต้นเนี่ยจนถึงได้รู้ดูก่อนในการนั้นเธอจับไม่เป็นไปกับกะด้วยกิเลสที่เกี่ยวกับรูปารมณ์ที่เพิงได้เห็นสัทธารมณ์เป็นต้นเนี่ยตรงนี้คืออย่างนี้ เหน็นมันมัตตาพับเนี่ยเขาแปลว่าบางแห่งแปลว่าสักแต่ว่าทิฏเถทิฏธรมมตังมตตาเนี่ยเห็นบางทีก็แปลว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินทราบก็คือทางทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายสักแต่ว่าทราบรู้ทางใจก็สักแต่ว่ารู้ ว่างั้นสักแต่ว่าบางทีก็ว่าเห็นจักเป็นสักว่าเห็นนะจักเป็นสักว่าเห็นนะมะตามันคงบางท่านก็แปลว่าจักเป็นสักสักต่ว่าจักเป็นสักว่าเห็นทีนี้เหมือนคาว่าโพชเนมตัญยุตตามะตะเหมนกันแปลว่าอะไรรู้จักประมาณใช่ไหมเอแปลว่าประมาณก็ได้เห็นจักประมาณว่าเห็น หมายความว่าอย่างนี้หลักการยายชัดที่จริงเห็นเนี่ยไม่ใช่เราเห็นจกักขูวิญญาณเป็นผู้เห็นจกักขูประสาทกระทบกระรูปารมณ์แต่ตัวเห็นคือจกักขูวิญญาณแต่เราเนี่ยสําคัญว่าเราเห็นเนี่ยมั น, ม, นมันผิดตรงนี้นะเวลาเห็นแต่ละครั้งเนี่ยในจกักขูทวารลวิถีนะครับ จักขูวิญญาณที่ไปเห็นรูปารมณ์จักขูวิญญาณก็ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงในรูปารมณ์เพราะเป็นวิบากจิตสมปฏิชนะที่ไปรับรูปารมณ์ก็ไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงสันติรณะที่ไปพิจารณารูปารมณ์ก็ไม่ได้กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงโวธภนะที่ตัดสิงรูปารมณ์นั้นก็ไม่ได้กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลง แต่ถ้าเป็นอโยนิสโมสมนัิการที่วนะัฏฏบุรณะมันก็เลยเป็นปัจจัยแก่ชาวนะที่เป็นโลภะกำหนัดหรือเป็นปัจจัยแก่โทสะชาวนะคือขัดเคืองหรือเป็นปัจจัยแก่โมหะชาวนะคือลุ่มหลงให้เกิดขึ้นที่ชาวนะนั้นขั้นคำว่าเห็นจักเป็นสักว่าเห็นหรือจักประมาณว่าเห็นหรือสักแต่ว่าเห็นเนี่ยจริงๆคือจะแปลกันยังไงก็ว่าไปจริงๆคือว่า เี็นเนี่ยให้เอาจาักคูวิญญาณเป็นประมาณว่าจาักคูวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่่มหลงแม้ชั้นใดเราก็จะตั้งกุศลโวนะให้เกิดขึ้นโดยไม่ให้ความกำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงเกิดขึ้นเพราะในทวาร น, นี้ในบ้านนี้เจ้าของบ้านที่แท้จริงคือจักรุทวารเอจักคูวิญญาณจักคูวิญญาณเป็น เจ้าของบ้านไม่กำหนัดไม่ขัดเครืองไม่ลุ่มหลงไอชวนะเป็นแขกที่จอนมาจะมากำหนัดมาขัดเครืองมาลุ่มหลงไม่ควรเลยเข้อตั้งหลักอย่างนี้หลักการปฏิบัติข้อตั้งอย่างนี้นะครับและไอแขกที่เข้ามาในบ้านนี้ควรจะยังสังเวชให้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปในบ้านใดเราก็ไม่ควรไปอยากได้หรือไปกำหนัด ไปยินดีไปขัดเครืองหรือไปรุ่มหลงของในบ้านของเขาซึ่งไม่ใช่ของเราเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นเจ้าของบ้านคือจากคุณญานสมปฏติชนะเป็นต้นเขาก็ไม่ได้กำหนัดขัดเครืองรุ่มหลงคิดอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไปบ้านใครเจ้าของบ้านตายกันหมดแล้วจากคุณญานก็ตายไปแล้วดับไปแล้ว สัมปติชนะก็ดับไปแล้วสติระโวทัปะก็ดับไปแล้วไอ้ชาวนาที่เกิดมาทีเรียงหลังจะมาทําความกําหนัดขัดเคืองลุ่มหลงในของในบ้านเขาจึงไม่ควรอย่างยิ่งควรจะยังความสังเวชให้เกิดขึ้นว่าเขาพากันวิบัติตายหมดแล้วแตกดับหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะแตกดับควรจะยังความสังเวคะยาหน่ายเกิดขึ้นจึงไม่ควรไปกําหนัดขัดเคืองและลุ่มหลงโดยประการอย่างนี้คให้ใส่ใจแบบนี้ ก็นี่ไงกุศลชาวนะต้องมียานปัญญามีสติสัมปญญาคนกําหนดแบบนี้วิธีการกําหนดอย่างนี้ใช่กําหนดขัดเครืองและลุ่มหลงให้มนัสการอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทิฏเถหิทธธรรมตังภวิสติเห็นจักเป็นศักว่าเห็นหรือเห็นจักประมาณว่าเห็นให้เอาจักขูญยาณเป็นประมาณนี่ ในการเชิงลึกในการพิจารณาวิจัยจากการเห็นทิเถทิทธรรมตังพวิสตินี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ยากไหมใช่ใช่แล้วรู้สึก ก็คือเมื่อรู้ด้วยวิญญาณจักเป็นสักวารู้ก็คือตัวผวังก็จิตตัวมโนทวารก็ไม่ได้ไปกำหนัดขัดเคลืองรุ่มลงอะไรหรือตัวทวารทางจักุทวารโสตทวารกานธทวารจีวะทวารทั้งหลายเนี่ยเอาทวารเหล่านั้นให้มโนทวารไปวิจัยพิจารณาว่าเขาไม่ได้กำหนัดขัดเกลืองรุ่มลงใดใดแต่ชาวนะจึงไม่ควรไปกำหนัดขัดเครืองและลุ่มลงในกรณีอย่างนั้น สักแต่ว่าเพียงได้รู้ในสภาวะธรรมที่ลุงรู้ได้ในการนั้นเธอจักเป็นผู้ไม่เป็นไปด้วยกิเลสที่เกี่ยวข้องกับรูปารมณ์สัทาสาาธารมคันธารมลมรสารมโพธิอารมณและธรรมอารมณ์นั้นเมื่อมนุิการอย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะจะปิดกัน้นไม่ให้กิเลสไหลท่วมทับเมื่อสามารถปิดกัน้นแล้วก็ละกิเลสได้จากกระทังข้าประหารพัฒนาไปเรื่อยๆ จนเป็นสมูทเชทปหารเธอก็จะไม่มีในการไหนๆ ไ, ไม่ว่าในอดีตปัจจุบลลันเรืออนาคตนั่นแหละจะปรินิพานเป็นที่ปรินิพานของเธอทั้งหลายนี่เป็นต้นหลักการในการปฏิบัติในการกําหนดอารมณ์ทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นไปได้การแบบนี้ยากยไหม จริงๆแล้วเขาให้มนุิการให้เข้าใจก่อนให้เข้าใจเบียดเสร็จแล้วก็ออกสู่สนามลบ <c oughs> เขาเรียกฝึกอย่างดีแล้วไม่ใช่ไปจ้องอยู่ในขณะนั้นทําให้เกิดความเข้าใจอย่างดีแล้วนี่อย่างนี้เป็นต้นสมควรแก่เวลาหรื อ, อยัง <c oughs> เลยออุทิศส่วนกุศลกันหน่อยดีไหม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 สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีแขนห้าแขนมีขนันแขนเดียวมี ข, นขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผงให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้โมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผงให้แล้ว สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันกเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเรถถ็จเธินสาธุสาธุสาธุ